ข้างหน้าของเราเนี่ยเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้าเพราะวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงพักบําเพ็ญพุทธกิจนานที่สุด 19, สิบเรษาพรว่าถึงฤ ด, ดูเข้าพรรษาก็มาพักที่นี่ 19, สิบเก้าพรรษาะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยเป็นที่พักของพระพุทธเจ้าเรามาวันนี้มาเหมือนกับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนะมีกุฏิพระพุทธเจ้า เป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนพระองค์และบริเวณที่เรานั่งอยู่นี้ก็เป็นธรรมมศภาเป็นที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพระสูตรต่างๆที่เราได้อ่านในพระไตรปิฎกที่บันทึกเอาไว้ก็มาจากที่นี่แหละเพราะฉะนั้นสถานที่นี้ก็เป็นที่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าข้างหน้าเราก็เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าเรามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลย ทีนี้ในเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานไปแล้วพระองค์ก็สั่งเอาไว้ในวารสุภาเน่ยว่าธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนเราทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าเอามาประพฤติปฏิบัตินี่แหละเท่ากับ ว, ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเรา แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประสงค์อะไรมีเป้าหมายอะไรมีวัตถุประสงค์สิ่งใดเป้าหมายจริงๆก็คือจิตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเมื่อมาวันนี้แล้วเนี่ยถ้าใครอยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เอาจิตของเราเนี่ยกลับเข้ามาเหมือนกับว่าให้จิตของเราเนี่ยกลับคืนเข้ามาอยู่กับตัวเองเข้ามาอยู่ข้างในเลย นี่แหละคือพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าอันดับแรกเลยก็คือให้จิตของเราเนี่ยเข้ามาอยู่กับตัวเองถ้าใครจิตเนี่ยกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองได้นี่แหละเรียกว่าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเลย <R> <University> ทำตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าจริงๆนี่แหละเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เพื่อให้จิตของแต่ละคนเนี่ยไม่ให้มันสัดสายออกไปไม่ให้มันไหลออกไป ไม่พุ่งออกไปไม่ให้เผลอเพลนออกไปให้จิตนี้กลับเข้ามากลับเข้ามาอยู่กับตัวเองให้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาไม่ไปเอาเอาลมเอาเอารมณ์เอาเรื่องข้างนอกเรื่องคนนั้นบ้างเรื่องคนนี้บ้างเรื่องเหตุการณ์ที่นั่นที่นี่เอาอาดีตมันผ่านมาก็เอามานึกมาคิดมาปรุงนี่นี่เรียกว่า จิตไม่อยู่กับตัวเองมีแต่เรื่องราวข้างนอกเข้ามากุ้มลุมจิตมาทับถมจิตมาหุ้มห่อจิตถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนะไม่เข้าใจเลยอะ่ะเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไหลไปมันพุ่งไปสัดสายไปแสสายไป บนเวียนไปเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เหตุการณ์อันนั้นอันนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ที่จริงมันก็ผ่านไปหมดแล้วล่ะก็ยังเอามาคิดนึกปรุงแต่จริงๆก็ไม่อยากคิดหรอกแต่ว่าเราไม่ได้ประพฤธธติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองมันก็เลยทาไม่ได้ ท, ทั้งที่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้จิตรเราไหลไปอะแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติที่นี่เพราะเราเป็นคนประมาทพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสติให้พยายามมีสติรักษาจิตเอาไว้เราก็ไม่ทำใช่เราก็ว่าเอ้ยต้องไปหาเงินเยอะๆต้องได้นั่นได้นี่สิจึงจะมีความสุขต้องดูนั่นดูนี่พึ่งนั่นพึ่งนี่ไปจึงจะมีความสุขแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้น พระพุทธเจ้าให้มาเพึ่งจิตตัวเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงมีตนเป็นเกาะเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเธออย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งคือยังไงคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเธออย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยคำว่ามีตนเป็นเกาะก็คือเหมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางทะเลมหาสมุทร คลื่นจะแรงลมจะแรงขนาดไหนแต่เราอยู่บนเกาะอยู่บนเกาะมันก็ปลอดภัยน้ําก็ไม่ท่วมอันตรายจากสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีพระองค์ก็เลยเปรียบเทียบว่าเธอจงมีตนเป็นเกาะเหมือนมีเกาะอยู่บนเกาะปลอดภัยมีตนเป็นที่พึ่งแล้วก็มีตนดิ้ที่พึ่งคื อ, อยังไงต้องมีธรรมต้องมาฝึกฝนธรรมปฏิบัติธรรมจึงจะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง เธออย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยแต่ว่าชาวโลกคิดดูสิเราก็เคยเป็นไหมเราหวังพึ่งเงินพึ่งยศพึ่งลาภพึ่งอะไรต่ออะไรหวังจะให้มีความสุขหวังพึ่ง Instagram. คนนั้นบ้างคนนี้บ้างตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่พี่เราย้าเลยเธอจงมีตเนตเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีตนเป็นเกาะมีตนที่เป็นที่พึ่งคือยังไงเธอจงมีธรรม เป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอยามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นทีพพึ่งคื อ, อยังไงอธิบายต่อไปอีกคือตามดูกายในกายเนืองเนืองมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ตามดูเวทนาในเวทนาเนืองเนือง มีความเพียมร riages, มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ตามดูจิตในจิตเนืองเนืองมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ตามดูธรรมในธรรมเนืองเนืองมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ทีนี้เราได้ทำตามไหมจินถ้าว่าใครพยายามทำตามนี่แหละคือศาสดาเลยนะคือทาวินัยของพูะเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเท่ากับว่าเราได้ฟังธรรมจากพระโอษของพระองค์โดยตรงเลยกายกายานุปศีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมา วิเนยะโลเกออภิชาโทมณสังตามดูกายในกายเนืองเนืองมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้นี่จากออกจากพระโอษของพระองค์เลยนะที่เรามาพูดเป็นภาษาไทยคือแปลพยายามแปลให้มันตรงความหมายของพระพุทธเจ้าเวทนาสุขเวทนานุปสีวิหารติ อาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนสังตามดูเวทนาในเวทนาเนืองเนืองมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้จิตเตจิตตานุปัสิีวิหารติ อาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกออภิชาโท ม, มานสังทมเมสุธัมาลุปัสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกออภิชาโทมาสังก็คือมีความเพียรมีสัมปชัญญามีสติตามดูจิตตามดูธรรมคอยระวังไม่ให้อ้พวกจิตเนี่ยเรื่องราวในจิตมันมาทำให้เกิดความยินดียินร้ายมาให้สิ่งที่มันเกิดขึ้น ปรากฏขึ้นคือทำสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยทําให้เรายินดียินร้ายตามดูกายก็เรื่องราวของร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บเป็นนู่นเป็นนี่อย่าให้มันมาทําให้เรายินดียินร้ายเวทนามันจะเจ็บจะปวดจะมึนจะชาจะคันเป็นนั่นเป็นนี่บีบคั้นขนาดไหนก็อย่าให้จิตเรายินดียินร้ายก็แสดงว่าธรรมะของเจ้าตรงเขาหาจิตของแต่ละคนแล้วเราเนี่ยได้ทําตามไหมถ้าใครพยายามทําตามก็คือไม่เอาอะไรละ คุณง่ายๆอะไรเกิดก็ช่างมันพยายามอยู่กับตัวเองเข้ามาหาจิตของตัวเองแล้วไม่ต้องไปยินดียินไลยกับมันละถ้าเรายังเกิดอยู่เรื่องราวทั้งหลายต้องมีแน่นอนเรายังมีชีวิตอยู่มีเราแล้วเราอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องมีการกระทบกับสิ่งแวดล้อมเรามีตาก็ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วถ้าเรารักษาจิตก็ต้อง ไม่ยินดีไม่ยิน้ายกำจัดความยินดียาลเนี่ยเนี่ยในโลกไม่เข้ามาไม่เข้ามาทางตาก็พยายามไม่ให้เข้ามาทีนี้เรามีหูในโลกเราก็ต้องมีเสียงสิเสียงนกเสียงกาก็มีเสียงรถเสียงนึงเสียงนีเสียงคนเสียงฝรั่งเสียงจีนเสียงแขกมิหมดเสียงคนไทยด้วยกันมันก็ต้องได้ยินได้ยินแล้วมันก็เข้าใจความหมายมีความรู้สึกเกิดขึ้น กำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้นี่ไม่ให้มันมาเกิดความยินดียินร้ายนี่คือหน้าที่ของเราโดยตรงนี่จึงจะมีทำเป็นที่พึ่งนะเนี่ยถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่มีทำเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยมีแต่กิเลสเป็นที่พึ่งมีแต่ตัณหาเป็นที่พึ่งมีแต่อุปาทานเป็นที่พึ่งมีแต่ตัณหามีแต่มานะมีแต่ทิฐิเป็นที่พึ่งตัณหาคือยังไงเนี่ยมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอา ลูกเสียงกินลดสัมผัสเข้ามาบำรุงบำเลอปนเปรอะตนมันแสียสายออกไปจะไปหาเอาเข้ามาเสรเสวยมันก็ยุ่งก็เดือดร้อนแต่ถ้าหาว่ามันมันต้องเอานี่มันเอาด้วยสติปัญญามันไม่เป็นไรนะบอกว่าตอนนี้หิวเหลือร่างกายต้องการเหนือเอาเข้ามาเอาพอให้มันพอดีอย่าให้มันอึดอัดอย่าให้มันแน่นอย่าให้มันทรมานบีบคั้นตัวเรานี่หมันเรียวเอาด้วยปัญญาอย่างนี้อันนี้มันเป็นธรรมนะที่นี่ มันจึงต้องมีสติสัมปชัญญะมีปัญญารู้เท่าทันมันมีตาก็ต้องเห็นเห็นแล้วไม่ให้มันมีตัณหามานะคือยังไงที่นี่มานานี่มันเอาไปเปรียบเทียบกันถึงมาด้วยกันบางทีมันก็เปรียบเทียบกันได้นะมัออกไปเปรียบเทียบคนนี้ดีกว่าเราเนเนตัวเราแฟบลงไปแล้วนะเนี่ยหรือคนนี้แย่กว่าเราฟูขึ้นมาแล้วเนี่ยดูสิอยู่เฉยๆนะเนี่ย ทุกคนก็เป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยตามสิ่งสภาวะของสิ่งแวดล้อมแต่จิตเขาแต่ละคนน่ะมันฟูขึ้นแล้วก็แฟบลงได้เองเพราะตัวมานะนี้ต้องระวังนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งออกไปหาคนนั้นคนนี้เดี๋ยวจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้คนนี้เด่นกว่าเราเนี่ยมันก็เพ่งออกไปแล้วนี่มันสายออไปแล้วนี่ถ้าหาว่ามันรู้ว่าเออตัวนี้มันเป็นมานะแล้วมันโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุมตัวนี้ไว้ ทุกคนก็ไปทําไปตามเหตุตามปัจจัยเขาเห็นว่าเหมาะสมอย่างไรก็ทําไปถ้าใจเราเป็นปกติมันก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ย <S <S นี่แหละคือ <S <S พระพุทธเจ้าเนี่ยอยากให้มารักษาจิตระวังจิตไม่ให้ไปยินดียินร้ายไม่งั้นมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในโลกต้องกําจัดมันกําจัดทุกคนนะ่มีหน้าที่กําจัดเรื่องราวภายในจิตของตัวเองตัวมานะเนี่ยสําคัญมากเพราะมันไปเปรียบเทียบซึ่งกันและกันเขารวยกว่าเราเราจนกว่าเขา มันก็ฟูขึ้นมันก็แฟบลงอยู่เงี้ยเราดีทำไปเที่ยวกับคนที่จนกว่าเราเฮ้ยเรารวยกว่าเขาเนี่ยเขาจนกว่าเราหรือไปเข้าไปในเอา่าวร้านขายของอย่างเงี้ยเงินของเราเราเป็นคนซื้อมีเราเขาจริงจะได้ขายของไปมันก็ไอ้คนขายของพนักงานเขาเป็นคนบริการตัวเราก็ยืดขึ้นแล้วอืมเอานั่นหน่อยเอานี่หน่อยยิบ่ายหน่อยมีตัวมานะนั่นเนี่ยมันขึ้นแล้ว แต่ถ้าไปเจอเจ้านายพ่ครับผมเจ้าข้าเจ้าข้าถ้าเจอครูบาอาจารย์เนี่ยมันยุบย่อลงมาแล้วเนี่ยนี่เนี่ยไอเอเนี่ยตัวตนเนี่ยมันมันขึ้นขึ้นลงๆได้แต่ถ้าทําไปตามความพอดีนะควรทำยังไงก็ทําอย่างนี้มันไม่มีปัญหาสําคัญตรงที่ว่ามันมันมีสติรู้เท่าทานไหมทํำมารู้เท่าทานเนี่ยมันทํายังไงเราก็คุมจิตเราได้ไม่ยินดีไม่ยินลายนนั่หน้าที่ของเรามันอยู่ตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นตัวมานะนี่มันออกไปเปรียบเทียบ ออกไปไปเทียบว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขามันก็จะออกไปอย่างหนึ่งเราด้อยกว่าเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเงียตัวมานะมันอยู่ในจิตของทุกคนเพราะฉนั้นโลกเราเนี่ยมันจึงมีปัญหานะตัวตันหาก็ทําให้มีตันปัญหาเพราะมันดิ้นรนจะเอาตัวมานะนีมนมนนรรม่มันมันอยากใหญ่เนี่ยธรรมชาติของมันมันอยากใหญ่อยากโออยากอวดอยากเด่นอยากดังอยากวิเศษอยากดีกว่าคนนั้นอยากดีกว่าคนนี้ถ้าหาว่ามันจะยุบย่อบลงไปมันรู้สึกว่า ตัวตนมันทนไม่ได้มันต้องให้รู้สึกว่าใหญ่ๆหน่อยฉันยืดๆหน่อยรู้สึกตัวตนเนี่ยมันมันพออยู่ได้มันไมาว่ามันอบอุ่นอะเหมือนกับมันสบายใจอ่ะว่ามันได้มันได้ใหญ่แล้วมันได้ยืดแล้วแต่ถ้าเอาธรรมะเข้าไปจับอ้าวนี่นี่มันมานะนี่นานี่มันหลงอยู่นี่นามีตัวมีตนขึ้นมาได้ยังไงอะก็ตัวเองสร้างขึ้นมาเมื่อกี้อะตอนไปซื้อของเห็นพนักงานก็ไปยืดใส่เขา แน่่มัมันเพิ่งเกิดนะตัวตวนวมันไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแต่เป็นเพราะความหลงภายในจิตต่างหากพอไปเจอเจ้านายเอาเอายุบยอลงไปเน่แน่ไอ้ตัว ต, วตวนอีกแล้วทําเป็นปกติได้ไหมคือรู้ธรรมจิตเราอยู่ควรทํายังนัก็ทําถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรนะอ้าอย่าไปซื้อของอย่างเงี้อ้าว เ, เราก็เป็นปกติของเราเออนั้นอยู่ที่ไหนนะเขาไปหยิบมาให้ก็โอเคเนี่ยเพราะเป็นหน้าที่ของเขาเขาเป็นพนักงานเราเป็นคนซื้อแต่เราไม่ได้ฟูไม่ได้ แคบอยู่ในจิตของตัวเองจิตเป็นปกตินี่แหละพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ปัญหาว่าไอาในจิตของแต่ละคนเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมันเกิดแล้วตอนมันเกิดนี่ไม่รู้ตัวสิเนี่ยคือหลงอะมันสําคัญตรงนี้นะมันก็เลยส่งออกไปเล่นงานซึ่งกันและกันบางทีบางทีมันกระทบกันมันพูดกันพูดกันน่ยแต่ละคนก็อยากได้พวกอีกที่นี่ออกไปพูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้ต้องการพวก มันก็เลยทางนี้ก็อยากได้พวกทางนั้นก็อยากได้พวกนี่แหละมันก็เป็นทักเป็นพวกขึ้นมามันก็มีการพูดส่อเสียดพูดจาเสียดสีกันพูดจาให้ร้ายกันพูดจากโกหกโอ้มันตามมาหมดเลยนะศีลนี่ยมันกระจุยกระจายไปหมดเลยอะ่ะก็เพราะภายในจิตของแต่ละคนนี่แหละมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเออมันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาตัวทิฏฐิ ตันหาแล้วก็มานะที่ทิ่ที่ที่นี้เป็นความเห็นทิ่ทีนี้มันทําให้ใจแคบสิว่าเราเราเห็นว่าอย่างนี้ถูกอะ่ะยืนยันมีตัวตนอะ่ะมีมันมีตัวตนอยู่ในนั้นด้วยนะนี่เป็นความเห็นของเราความเห็นของกูก็อยากให้คนอื่นเห็นด้วยถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเราก็จะไม่ค่อยชอบใจไม่พอใจหรือขดความเห็นอื่นมาเราไม่อยากฟังอะ่ะ เราอยากเอาแต่ความเห็นของเราเป็นใหญ่บางทีความเห็นที่ดีกว่าถูกกว่าอาจจะมีแต่เนื่องจากเรายึดความเห็นของเราแล้วมันก็เลยทำให้เราคับแคบไปยึดติดอยู่กับความคิดความเห็นของตัวเองควาบางทีความเห็นดีๆผ่านมาด้วยมันควรจะดีกว่าถูกกว่าก็เอาไม่ได้อะเดี๋ยวตัวตนมันจะเจ็บปวดเดี๋ยวตัวตนเนี่ยมันจะทุกข์ทรมานเพราะมันไม่ได้ทาตามทิศที หรือความเห็นที่เกิดจากความหลงมีตัวตนมีตัวเรานั่นอันที่จริงความเห็นก็เป็นแค่ความเห็นน่ะมันเป็นความคิดชนิดหนึ่งอะ่ะถ้ า, าว่ามันดีมันมีประโยชน์เราก็ทำคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาเราไปยัดเยียดให้ใครเชื่อไม่ได้ถึงมันจะดีมันจะถูกก็ตามเรานำเสนอไปเขาไม่เชื่อเขาไม่ทาตามก็แล้วไปสิ มันคนละส่วนกันไม่ใช่เราจะไปบังคับให้เขามาเชื่อมาทําตามความคิดความเห็นของเราเนี่ยไอตัวนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันนึงหรือถึงแม้ว่าเราความเห็นของคนอื่นอะความเห็นของเราเป็นอย่างหนึ่งความเห็นของเขาเป็นอย่างหนึ่งแต่ความเห็นของเขามันเป็นธรรมมันถูกต้องกว่าเราต้องยอมทิ้งความเห็นอันนี้เพราะมันเป็นแค่ความเห็นเป็นแค่ความคิดเตินนํามาทําเฉยๆไม่มีตัวตนเราก็ เอออันนั้นมันถูกแล้วออดีเอาเป็นเด็กก็ตามเป็นคนที่ต่ำต้อยก็เราก็ตามถ้าเราเอาทำปับ๊บใจเราเป็นกลางๆเรามองดูว่าอันไหนมันมีประโยชน์กว่าอันไหนมันถูกต้องกว่าอันไหนเอามาใช้แล้วเนี่ยปัญหามันน้อยไม่มีไม่ค่อยมีปัญหาหรือมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นมาเราสละความเห็นของเราได้สละตัวตน ของเราที่ออกมาในรูปของความคิดในรูปของความเห็นได้ทิ้งออกไปได้มันก็จะเป็นธรรมขึ้นมาในจิตใจของเรานี่แหละอันนี้มันอยู่ในจิตของทุกคนเลยนะเนี่ยมันจึงทำให้โลกเรามีปัญหาเพราะว่าสามตัวนี้แหละตัณหาตัณหามันทำให้ตาหันก็ว่าตัณหามันหันหันจะเอานู่นจะเอานี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เอานะทีนี่ทั้งเอาและไม่เอาเนี่ยตัณหา จึงเปรียบเทียบเหมือนงูงูมันนอนอยู่มันยังไม่หิวยังไม่ได้ออกหาเหยื่อตอนมันออกหาเหยื่อนี่คือตัณหาตอนมันนอนอยู่เฉยๆเหมือนเหมือนกิเลสอ่ะมันมันหมักดองอยู่ในขันทันดานอ่ะตอนที่ตอนที่มันอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นแหละกิเลสมันนอนเนื่องมันรอโอกาสอยู่ไม่ใช่มไม่มีนะมันอยู่เฉยๆมันหลับไปหรือมันนิ่งไปมันยัง อาหารเก่ามันยังย่อยไม่หมดเน่ยมันก็นอนนิ่งๆยังไม่ได้ออกหาเหยื่อคอยเวลาอยู่ทีนี้พอเริ่มหิวปับ๊บนี่ตัณหาเกิดแล้วเริ่มอยากแล้วออกมาตามันก็แสสบใจมันก็ปุงแต่งจะหาเหยื่อไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างจะมีไหมสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีอะไรพอได้กินบ้างกูไปตรงนั้นแล้วจะเห็นไหมจะมีไหมจะได้ไหม เลื้อยไปตรงนั้นตรงนี้เสียงก็แก๊สนิ่งจ้องดูเนี่ยตัวตันหามันหาโอกาสคือมันจะเอาเอามาเพื่อเสพสเวล์เอามาเพื่อให้มันอิ่มให้มันสุขสบายพูดง่ายๆเอามาให้สุขสบายเอารูปมาก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามรสก็ตามสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสก็ตามนี่เขาเรียกว่าตันหา ตัวที่สองตัณหานี่อยากได้สรุปว่าอยากได้แต่ถ้ามันไม่ถูกใจมันก็ไม่อยากเอาเหมือนกันเอามาเพื่อตัว ต, วตนนั่นแหละตัณหามันก็คือเอามาเพื่อตัวเราให้เราได้เสพได้เสวยความสุขความสบายแต่ถ้ามันมีปัญญามันจะไม่ใช่เพื่อเสพเสวยนะมันเอามาเพราะว่ามันมีความจําเป็นหรือเพื่ออํานวยความสะดวกหรือเพื่อให้เราสุขสบายเท่าที่เราจะหาได้เพราะว่าถ้าหากว่าเรามี มันอยู่ในขอบเขตของความถูกต้องความเป็นธรรมมันไม่เป็นไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เอาอะไรเลยนะ่จะเอาอะไรก็เดี๋ยวตันหาแล้วจะเอานู่นเอาหนี่กิเลสตันหาไม่ได้ไม่ได้อ่าอย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกเดี๋ยวจะกินข้าวมันก็จะเป็นตันหาไปเสื้อผ้าแพพันเอามาใส่ก็เดี๋ยวจะเป็นตันหาไปมันไม่ได้มันต้องดูความว่าเออมันเหมาะสมไหมมันพอดีไหมมันพอดีกับฐานะตามสภาพของเราไหม เราหาได้มากก็พอใจว่าเราหาได้มากอำนวยความสะดวกได้มากสุขสบายมากเพราะบุญเก่าเราเยอะไม่ได้มีอะไรนะบุญเก่าเราเคยทําเอาไว้วันนั้นคนที่เออน้อยกว่าก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกเพราะบุญกรรมมันต่างกันอันนี้วันนี้ผู้เจ้าตัดเองนะถ้าคนทั่วไปก็มองว่าเฮ้ยนี่เขาขยันันนี้เขามีช่องทางหรืออะไรก็ว่าไปแต่ผู้เจ้าบอกว่าบุญทั้งหมดด้วยอํานาจของบุญกรรมดีที่เคยทํามา พอมาเกิดแล้วผลกรรมดีอันนั้นมันติดตามมาทําอะไรก็ง่ายก็ขึ้นปัญหาก็น้อยเพราะอะไรเพราะอํานาจของกรรมดีพอพระพุทธเจ้าสอนให้ทําแตกก่กรรมดีกรรมไม่ดีอย่าไปทําเลยเพราะอะไรเพราะมันเนี่ยมันตามมาแบบเนี้ยมันให้ผลแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยก็ยังจะฝืนทํากรรมไม่ดีอยู่ต่อไปวันนี้เรามาถึงพระพุทธเจ้าแล้วต้องเอาให้แน่นอนเลยนะเชื่อพระพุทธเจ้าเลย ไม่ต้องไปเชื่อความคิดความเห็นของใครและคำสอนของใครก็ตามเถอะทิ้งให้หมดเลยความเห็นของเรากระตามมันจะทำให้เราว่าดูเหมือนจะดีจะวิเศษแต่วันใดวันหนึ่งมันต้องทำให้เราเกิดความเดือดร้อนใจทีหลังแน่นอนเพราะนั้นเอาปัจจุบันนี้ดีกว่าทำให้ดีให้ถูกต้องเอาไว้เราจะได้ไม่มาละแวงกรรมของเราเราจะไม่มาอดโอยว่าเออรู้อย่างนี้ไม่ทาก็ดีกว่า เอาตั้งแต่ต้นลมเลยให้แน่ใจเลยไม่เอาไม่ทําทําแล้วเดือดร้อนเมื่อเราไม่ทํากรรมไม่ดีเนี่ยแหมมันพอใจตัวเองขึ้นมาเลยนะมองดูตัวเองเนี่ยมันมันอาถรรพ์มันลื่นเลงมันบ่นเทิงมันเหมือนเป็นอิสระจากไอเครื่องพันธนาการที่มันบีบคั้นเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสบายอ่ะคนหลงก็หลงไปสิเราก็ไม่ว่ากันเนี่ยเพราะเขายังหลงอยู่ทําไงได้ ถ้าคนทีหนมีบุญก็มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมก็ได้คิดขึ้นมาใครมีบุญมากก็คิดได้เร็วมีสติปัญญามากเพราะมีทุดีในดวงตาน้อยถ้าคนไหนที่บุญมันยังน้อยอยู่ปัญญายังน้อยอยู่ก็อึดอาดหน่อยอะ่ะโอ๊ยมันยังอาลัยอาวรณ์ไม่อยากปล่อยไม่อยากวางไม่อยากทิ้งอยากหวงอยากแหนทั้งนี้เป็นสิ่งไม่ดีนั่นแหละมีแหละอํานาจของบุญบารามีหรือปัญญา มากน้อยต่างกันถ้าหาว่าเราไปประสบกเหตุการณ์อย่างนี้แหละมันก็ต้องทําใจอย่างนี้แหละก็ก็บุญกรรมมันไม่เท่ากันนี่นาสติปัญญาไม่เท่ากันนี่นาความรู้ความเข้าใจมันต่างกันเนี่ยเขายังไม่รู้เลยทำไงได้อะเรารู้แล้วเราจะไปเอะอะโวยวายมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่เข้าใจเรื่องกรรมไม่เข้าใจกฎแห้งธรรมชาติแต่ถ้าหาว่าเออคนที่สนิทกันพอพูดกันได้ก็กระซิบกันพูดกันพูดก็ต้องมองมองดูเนาะวันจะมีปัญหาไหม ถ้ามันจะมีปัญหาทําท่าจะลุกรามมันไปแล้วก็หยุดเสียแก้จิตเรามีลคําคสอนของเจ้านี่ตรงเข้ามาหาจิตของแต่ละคนไม่ใช่จะไปแก้คนอื่นแล้วยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้จะให้โปรเฟกไม่มีทางหรอกไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะมีวันหนึ่งนะ่ะแตมาอยู่ที่วัดอมันก็อยู่กันหลายๆคนอะ่ะบาคนนั้นทนํานั่นทํานี่เขาก็มารายงานนะท่านอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ถูกใจคือมาปุ๊บปุ๊บเราก็จับดูอยู่นี่อ๋อนี่อยากให้โลกโปรเฟกต์เหรอ อยากให้สมบูรณ์แบบเลยมเป็นไปไม่ได้ดับวุบไปเลยโอ้โหนี่ตัวนี้เองเหรอเนี่ยที่มันเล่นงานสัตว์โลกได้เนี่ยขนาดเรานี่มันยังมาให้เห็นเลยนะเนี่ยดูสิยังวุบเข้ามาได้โอ้โหเราอยากให้โลกนี้สมบูรณ์ทั้งโลกเลยเหรออยากให้โลกนี้มันเปอร์เฟกเหรอแล้วมันเป็นไปได้ไหมโอ้มันซัดกันทันทีเลยนะมันเหมือนกับมันเขล็ดขยาดอะจากนั้นมามันมองดูโลกแบบสบายๆไม่มีทางโลกของเราเป็นโลกแห่งความบกพร่องโลกแห่งความปรุงแต่ง จะให้สมบูรณ์เป็นไปไม่ได้จะให้ได้ดั่งใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาพอมันอยู่กันได้ดีกว่าเอาพออยู่ได้นี่ละผิดบ้างถูกบ้างเอาแก้ไขกันไปแก้ไขกันไปเรื่อยไปเพราะนี่แหละเรามาเกิดเมื่อมาเกิดก็ต้องเป็นอย่างนี้สิจะให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะไอ้ความบกพร่องนั่นแหละมันทําให้เรามาเกิดความที่มันไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์อยู่ในจิตเพราะเราไม่ถึงพาณิชยน จุดท well ี่สมบูรณ์ที่สุดคือพรานิพานที่นี่ดูสิมันไม่มีจุดอื่นเลยนะเนี่ยที่จะให้โลกสมบูรณ์น่ะพานิพานเท่านั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปถึงพานิพานแล้วเนี่ยแหมมันมันมันไปพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะดูเหมือนมันจะสูงดูมันจะเกินเรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นความจริงที่มีอยู่ในระบบของธรรมชาตินี้ถ้าใครยังไม่ถึงตรงนั้นตาบได้มันต้องมีความบกพร่องอยู่อย่างนี้มันต้องมีความทุกข์อยู่อย่างนี้มีปัญหาอยู่อย่างนี้ มีความเดือดร้อนอยู่อย่างนี้รุ่มร้อนอย่างนี้แล้วจะทนทุกทนรุ่มร้อนเดือดร้อนอย่างนี้ตลอดไปเหรอมันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่มันจะเบื่อหน่ายบ้างว่าเออเ อ, เอที่เราเคยคาดหวังว่าอยากจะมีความสุขอยากจะบริบูรณ์สมบูรณ์อะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกพอโลกนี้เป็นโลกแห่งสังขารและโลกเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมที่มีแต่การปรุงแต่งขึ้นมามันจึงมีแต่ความบกพร่องมันไม่บริบูรณ์สมบูรณ์ ทุกคนก็เหมือนกับกําลังสแสวงหาจุดที่มันสมบูรณ์นั่นเองเราอยากได้ความสุขอยากให้มันเต็มอิ่นอยากให้บริบูรณ์อยากให้สมบูรณ์แต่ไปๆมาๆไม่สมบูรณ์เลยในสมัยที่ยังอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีนะโอ้โหตอนนั้นนะ่ะมันก็ยังไม่สมบูรณ์เหมือนสมัยนี้หนะ้าวัดดอยก็อดๆอยากๆเลยนะถ้าอาจารย์นี้กําหนดเลยนะวันหนึ่งให้จะดื่มกาแฟก็ดื่มกาแฟได้แก้วเดียว จะดึงโกโก้ให้เลือกโกโก้เอาวันละอย่างเลยโกโก้กับกาแฟเอาเลือกเอาวันนี้กาแฟออกมาคนละแก้วด้วยถ้ามันเหลือค่อยเอาใครเหลือจะเอาก็เอาถ้ามันไม่เหลือ ก, กันแล้วใบแก้วเดียวโอ้หิวโ ห, โหยมีวันหนึ่งชโคโค็อกโกแลตมันมาทีนี่โอ้โหมันรู้สึกขึ้นมาเลยนะในจิตวันนี้จะเอาให้เต็มอิ่มมันว่าอย่างนั้นนะมันมีคงจะมีเศรษฐีจากกรุงเทพหรืองไงเนี่ยซื้อช็อกโกแลตไปแจกกันเป็นแผ่นๆแผ่นใหญ่ๆยาวๆอย่ า, างอย่างสมัยเนี้ย แจกกันไม่อั้นเลยเอาโอ้มาวางตรงหน้าหูใจมันตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอาั น, นี้าให้เต็มที่มันก็ต๊บเข้าไปโหอร่อยอันแรกหวานขมๆนิดๆหวานแม่รู้สึกพอใจมากที่ได้ชานโกโก้วันนี้ช็อกโกแลตวันนี้เต๊บเข้าไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชักเริ่มเอียนๆอียนขมๆจืดๆ จ, จางๆต๊บเข้าไปอีกชักไม่ไหวปะดูสิ ท, ทั้งทั้งที่ที่แรกนี่โอ้ยกำลังมีความอยากความต้องการกะว่าจะเอาให้เต็มอิ่มเลยซัดเข้าไปที่แรกก็อร่อยถูกใจมากถูกใจไปเรื่อยสักระยะหนึ่งเริ่มเนื่อยๆลงไปจิตก็เริ่มมองดูมองดูรสชาติที่มันกระทบลิ้นเอ้ยรสมันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนนะมันเริ่มเอียนเอียนเริ่มเบือ่อเบื่อเริ่มไม่อยากขึ้นมาเอาเข้าไปอีก เฮ้ยทำท่าจะเอาไม่ไหวแล้วมันเริ่มบอกว่าพอแล้วพอแล้วรสชาติที่เคยอร่อยหวานอะไรนีหายไปมันเปลี่ยนไปนรสอย่างอื่นน่ะเราก็ดูไปโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแลวเนี่ยดูซิมันเปลี่ยนให้เห็นเลยนะมันไม่ได้แน่นอนดอกอะไรก็ตามใจมันสมบูรณ์เต็มอิม่มไม่มีทางถ้าถึงพระนิพพานอะ่ะมันมีความพอดีของมันในจิตเราเนี่ยมันถึงจะได้ เพราะนั้นตัวที่มีปัญหาเราจึงพูดว่าตัณหาและก็ตัวมานะที่มันอยู่ในจิตตัณหานี่เวลามันออกกระทบอารมณ์ทั้งหลายมันมีความอยากความต้องการถ้ามันถูกไม่ถูกใจมันก็ไม่เอามันก็อยากให้หายอยากให้สู์ไปอยากให้สลายไปแล้วมันมาจากไหนไอ้ขวตัวทุกตัวปัญหาเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะทำมาให้จิตของเราเองอ่ะแล้วไมจะไปโทษข้างนอกได้ยังไงอ่ะ แล้วทำไมเราจึงไม่ตีเข้าไปลูาทำไมนไม่เอาให้มันดับสลายไปเลู่ไปห่วงมันไว้ทำไมจะไปห่งมันอยู่ทำไหมนี่พูดอย่างนั้นเลยนะมันจะถึงใจนะเนี่ยมานะก็เหมือนกันดีนี่คนอื่นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเขาก็มาจากบุญจากกรรมของเขาอ่ะแล้วเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการต้องควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ฉันอย่างนั้นเขาอย่างนั้นอย่างนี้เขาต้องอย่างนั้นเขาต้องอย่างนี้เราอย่างนี้นเราอย่างไีเอาก็ตัวเองอะไปดิ้นรนอยู่ทำไหม ท้ามันไม่ดับมันที่จิตนั่นแล้วให้มันดับไปแล้วมันก็มีเรื่องอะไรหรอกเขาก็เป็นเขาเขามาจากกรรมของเขาไปตามกรรมของเขาเราก็มาตามกรรมของเราไปตามกรรมของเรามันมันอะไรกันนักหนาจี้เข้ามาตรงนี้สิมันนึกจะดับได้นี่การทำมาของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เรามาเฝ้าพระเจ้าถึงที่ประทับเลยเนี่ยและนี่จริงนี่ก็เป็นธรรมสภาโดยเป็นที่แสดงธรรมตลอด 19, สิบเก้าพรนศาที่บงประทับอยู่ที่นี่ เราก็เอาธรรมะของวงเข้ามาสิแล้ววงก็ตัดด้วยธรรมะวินัยเป็นศาสดาแทนเราตถาคตถ้าเราอยากอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เอาธรรมะนี่แหละเข้าไปเข้าไปก็คือธรรมะก็ต้องเข้าไปหาจิตต้องสติ ร, รักษาจิตคุมจิตตามดูจิตแก้ไขจิตพัฒนาจิตมันไม่ใช่อย่างอื่นนะอันนี้เราจะส่งสายไปหาแต่คนอื่นไปโทษแต่คนอื่นเอาแต่เรื่องราวของคนอื่นมาคิดมานึกมาปรุงมาแต่ง มาพูดมาคุยมันก็ไม่ได้เรื่องมันห่างไกลจากจิตตัวเองนี้มันจึงเหินห่างจากพระพุทธเจ้าก็เพราะเราไม่เอาธรรมของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติไม่สํารวมเข้ามาที่จิตนี้สติควบคุมจิตนี้และให้จิตมันรู้ความจริงนี่ว่าเรื่องราวทั้งหลายไปจากจิตนี้จะแก้ต้องแก้ที่จิตนี่ไม่ใช่ไปแก้คนนั้นแก้คนนี้ที่นั่นที่นี่สิ่งใดล้อมก็เราคนเกี่ยวข้องอะไรก็เกี่ยวข้องซี่ คนนั้นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอ่ะเราจะเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะถึงไม่มีปัญหามีความเดือดร้อนถึงจะไปกันได้เอาไปกันได้ด้วยนะไม่ใช่ไปทําลายเขาไปรังเกียดเขาก็ไม่ถูกอีกธรรมชาติแล้วเขาเป็นอย่างนั้นแหละแล้วคนที่มาร่วมกันอยู่อย่างเนี้ยถ้าไม่เคยทําบุญทําทานทํากรรมทําอะไรร่วมกันมามันจะมาด้วยกันได้เหรือ้าไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยากันเป็นไปไม่ได้พผู้เจ้าก็บอกเอาไว้หมดแล้วถ้าบางครั้งเอาถ้ากรรมที่มันเคยบันทอนกันให้ผลอ่ะช่วงเร็วๆเนี่ยมันก็มีบ้างที่กกกรระะทบบบัันน้้าางงอไ อดีตที่เคยเกื้อกูลกันมาก็มีคนที่เคยเกื้อกูลกันขณะนี้ก็เหมือนกันเคยบันทอนกันมาก็มีถ้าช่วงไหนที่กรรมที่มันเคยบันทอนกันให้ผลมันก็ต้องมีบ้างละคายเครืองกันบ้างอิจฉากันบ้างโมโหโกรธเครืองกันบ้างอาฆาตกันบ้างพยาบาทกันบ้างแต่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเข้ามาดูจิตแก้จิตปัญหาก็หมดตรงนี้หมดที่ไหนหมดที่ไหนปัญหาหมดลงที่ไหน ที่จิตของเหล่านี้แล้วจะให้ใครมาแก้ล่ะที่นี่เวลามันเกิดโกรธเคืองขึ้นมาพยาบาทขึ้นมาอิจาริสยาขึ้นมาหอยเหงาซึมเศร้าเสียใจขึ้นมาใครจะไปแก้ที่นี่ถ้าไม่ใช่เราแก้แล้วจะแก้ได้ยังไงก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าสิมัวชักช้าดีรออยู่ทำไมเนี่ยมันก็ต้องมาที่จิตของตัวเองนี่จึงว่าธรรมะของเจ้ามันลงที่จิตมานะมันก็อยู่ในจิตเราอยู่แล้ว แล้วปัญหาไม่เกิดก็ไม่ได้เห็นใครปุ๊บพอเขาทําอะไรดีกว่าเราเราก็เริ่มล่ะอ่ะเอ้ยออกหน้าออกตาเราแล้วไม่สบายใจไม่สบายเพราะอะไรถ้าจะพูดให้ตรงๆแล้วพราะความโง่บอลลมโง่เน่เห็นไหมถ้าอย่างนี้มันมั น, ม, น, ม, นมันถึงจะสะใจนะอยู่ดีๆไม่ว่าดีคนอื่นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วตัวเองมาเดือดร้อนทําไมมาทุกข์ทำไมทุกข์เพราะความเห็นมันไม่ถูกไม่ตรงนี่แหละจริงว่ามันโง่มันหลงทางโง่อย่างเดียวมันยังไม่พอนะบอลลมมาโง่ ขอให้มันสะใจหน่อยสิทิทิความเห็นอคนเรามันก็เห็นอะไรมันต้องมีความคิดความเห็นสิทีนี้เราก็ต้องมาดูความเห็นเรามันถูกหรือมันมันไม่ถูกอ่ะมันต้องได้ค้นคว้าได้ศึกษาได้ทําความเข้าใจด้วยถ้าจะให้ดีต้องมีคําสอนของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานให้มันตรงของพระพุทธเจ้าเอาไว้ตรงธรรมะเอาไว้เนี่ยมันถึงจะเป็นความเห็นที่ถูกที่ตรงถ้าเกิดเรายังไม่มีธรรมะระดับนั้นเรายังไม่รู้ว่าอะไรมันพอดีอะไรไม่พอดี ขนาดไหนมันถูกมันต้องเราก็พร้อมอย่ารับฟังสิเนี่ยมันต้องแบบนี้ใจเราก็ต้องกว้างขึ้นนี่แหละคนที่ใจแคบมันมีทิฐิความเห็นผิดคนที่มีความเห็นผิดหลงมากๆมีตัวตนมากๆอัตตาสูงๆเนี่ยความเห็นผิดมันมากมีชาทิฐิมันมากมีตัวมีตนมากใจก็เลยแคบแต่คนที่มีทิฐิแรงกล้าเนี่ยคิดว่าตัวเองมันมันมันวิเศษเลยอ่ะ คิดว่าคนเขาจะต้องอู้ดูเรายิ่งใหญ่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วมันยึดถือความเห็นเนี่ยความเห็นที่มันผิดอะมีตัวตนอัตตา่ยอัตตาผู้เจ้าสอนให้ทําลายอัตตาต้องมายึดต้องวางใจให้มันส่องกว้างเป็นกลางกลางเอาไว้เออความเห็นของเราเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้แล้วความจริงมันเป็นยังไงนะถ้าไม่แน่ใจก็ศึกษาคําสอนผู้เจ้าหรือถามผู้รู้ในบางเรื่องเขาบอกเขาชี้แจงมาแล้ว แล้เราเข้าใจเราก็เอามาแก้ไขตัวเองปรับความเห็นเราให้ถูกให้ตรงเราบางเรื่องเนี่ยมันต้องถามผู้เชี่ยวชาญเลยนะถึงเราจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะแต่บางเรื่องเราไม่รู้หรอกเราก็ไปถามผู้รู้เขาอย่างเรื่องอ่าเครื่องยนต์กนไกรื่องไกงเงี้ยถึงเราจะใครมาจากไหนก็ตามถ้าเรื่องเครื่องยนต์ก็จะถามช่างเขาเรื่องที่พักโรงแรมก็ต้องถามพนักงานเขาถามเจ้าของเขาเพราะเขารู้เรื่องในนั้นดีไอเรื่องในนั้นล่ะเราไม่ค่อยรู้ เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยใจมันก็กว้างก็เปิดกว้างไปที่ไหนก็ได้เพราะมันคอยที่จะรับฟังความเห็นของคนอื่นรับฟังสิ่งที่ดีกว่าถูกต้องกว่าเพื่อทําลายไอ้ความเห็นที่ผิดของเราเนี่ยละทิฏฐิแล้วทิฏฐิเนี่ยมันนี่แหละที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเพราะอํานาจของนี่แหละความหลงทีนี้ก็หลงไปหลงไปก็ชอบใจก็อยากได้ มันก็ไปจดจําเอาไว้จดจําเอาแล้วก็จะเอามาเพื่อตัวเราเนี่ยพอมันจํามากๆเข้านานเข้ามันก็เวลามันจะมาอมก็มาในรูปสัญญาเนี่ยมันมาในรูปของสัญญาสัญญาก็มาส่งให้จิตที่ก็ปรุงขึ้นมาเป็นวิตกเป็นวิ จ, จารเป็นสังขารอยูใ่ในจิตใจของเราเนี่ยบนเวียนอยู่ในจิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเกิดเป็นขณะขณะขณะต่อเนื่องกันมาส่งต่อกันส่งต่อกันส่งต่อกันมา ความคิดเนะ่ะเดี๋ยวมันไปเจอสิ่งใหม่ดีกว่าไอ้ของเก่าๆก็ดับไปสิมันก็เอาอันใหม่มาปรุงต่อมันก็ไปเรื่อยเลยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะนี่เลยว่าตอสอาสงสารเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสามตัวหลักๆเลยปัญหามานะทิท่ิีจะสร้างปัญหาให้กับจิตของแต่ละคนมากเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่สำมรวมจิตไม่ได้ทำตามอย่างที่พู้เจ้าบอกเอาไว้แต่ทีแรกว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลาย เธอจงมีตนเป็นเกาะเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนที่พึ่งคืออย่างไรเธอจงมีธรรมเป็นเกาะเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเธออย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งคืออย่างไรก็คือมาเจริญสติฐานสี่คือพอปฏิบัติธรรมทีนี้เพราะฉนั้นเราจะเะเว้นการปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยจะอยู่ในระบบหรือไม่ระบบก็ตามอยู่ในรูปแบบไม่มีรูปแบบก็ได้หมดแหละขออย่างเดียวมีสตินี้ สุดท้ายก็ลงมารักษาจิตไม่ไปหลงยินดีน้ายกับอะไรเราต้องทําความเข้าใจอ่ะคนเราก็มาตามกรรมไปตามกรรมเราก็มาทํากรรมของเราไปตามกรรมของเราเข้าไปนรกเราไม่ได้ไปด้วยเขาไปสวรรค์ก็เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอะไรนอกจากว่าเราไปทํากรรมดีไม่ดีตามเขาไปเขาทากรรมไม่ดีก็เรื่องของเขาไปเขาทํากรรมดีของเขาไปเราวางสิที่นี่เราหันก็้ามาหาเราแต่ถ้าว่าควรพูดควรเกี่ยวข้องมันก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่เอาอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยเนี่ย บ่อยมากเลยนะเวลาไปสอนบอกว่าเอผู้เจ้าสอนว่าตามดูกายตามดูเวนาตามดูจิตตามดูธรรมสุดท้ายมารัษาจิตนะไม่ให้ยินดียินร้ายกับอะไรนะเอะไม่ยินดีร้ายแล้วจะอยู่ยังไงเขาถามนะนี่คนที่จิตมันไม่ยินดีไม่เคยเข้าไปถึงความไม่ยินดียินร้ายเนี่ยมันสงสัยอ่ะมันคิดเอาคาดคะเนเอาเอไม่ยินดีไม่ยินร้ายเหมือนคนไม่เอาอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยอะอยู่บ้านก็ไม่ต้องไปทําความสะอาดไม่ต้องไปดูไปแลอะไรเลยอยู่เฉยเฉยผมันจะอยู่ยังไงอ่ะ อย่างนั้นมันไม่ใช่ทำแต่ว่าจิตไม่ยินดีไม่ยินรไายเกี่ยวข้องแต่เกี่ยวข้องโดยจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรเกิดขึ้นพยายามเอามาฝึกจิตเราเพื่อให้จิตเราไม่หลงยินดียิน้ายเพราะเรายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถึงพระนิพพานเน่สุดท้ายคําตอบอยู่ที่พระนิพพานเลยจะไม่พูดถึงพระนิพพานมันพูดไม่ได้ถ้าใครอยากจะออกจากทุก์เนี่ยหรืออยากให้ได้ความสุขที่สมบูรณ์น่ต้องถึงพระนิพพาน แต่ชาวโลกพูดไม่ได้นะมันเหมือนกับเกินเอือมเหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนลอยอยู่กลางนภ า, ากาศเหมือนอะไรที่แตะต้องไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าต้องอักขสาวกมหาสาวกหรือเอาสมัยนี้ก็เอาต้องพระที่อยู่ในป่าในเขามุ่งอย่างเดียวแล้วไม่เกี่ยวข้องกับโลกแล้วเอแต่ในสมัยพระพุทธเจ้านี่พระองค์สอนญาติโยมด้วยประชาชนด้วยก็พูดถึงนิพพานเหมือนกัน นี่แหละสมัยเนี้ยศาสนาของเราเนี่ยมันจึงไม่เข้าถึงจิตใจเพราะไม่กล้าพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆลดธรรมะลงมหากริยธรรมบุญธรทานนะใจสบายมีความสุขตายไปไว้สุขติเอาแค่นี้มันไม่ได้มันเวียนว่ายตายเกิดมันวนเวียนทำบุญขนาดไหนมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่จบมันก็มาทุกข์แล้วทุกข์อีก ทุกยังไงเพราะอะไรเพราะนี่แหละเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมตัวเรานี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งในตัวเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องพบกับสิ่งแวดล้อมพบกันมันก็ต้องมีชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นเดียวกระทบเดียวมีผัดซ่ถ้าเราไม่รักษาจิตเราดูสิปัญหามีไหมหูก็ต้องได้ยินคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเขาพูดดีๆแต่ thôi. แต่เราไปตีความความหมายเป็นอย่างน่้น จิตของเรานี่แหละจิตของเราหนีแหละไม่ใช่อย่างอื่นนะเนี่ยที่เป็นทุกข์เมื่อไหร่จิตของเรานั่นแหละมันคิดผิดมันเห็นผิดแล้วมันสร้างปัญหาแล้วอย่าไปโทษข้างนอกเลยโทษข้างนอกเราเสียเวลานั่ยหละโง่บรูมาโง่บอกแล้วหดเข้ามาหาจิตนี่เอามันตรงนี้ถ้าอย่างนี้เรียกว่าเออฉลาดแล้วถ้าใครเห็นอย่างนี้นะฟังแล้วเข้าใจตามนี้นะโอ้โหมาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับนี่นะมาอินเดียคราวนี้คุ้มค่าแน่นอนเลยนะ นั่นและแก่นธรรมของพู้เจ้าเลยนะจ่อเข้ามาที่จิตนี่ปัญหาเกิดตรงนี้เลยในจิตของเรานี่มันมีความหลงผิดมันมีตัวมีตนอยู่ในนั้นมีตัวมีตนเนี่ยมันก็มีตัณหาเพื่อทําเพื่อตัวตนทําเพื่อตัวเราเราอย่างนั้นเราอย่างนี้นีนนนน่นี่นั่นนั่นีน่ น, น, นปัญหาอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วมือไหมมีจริงไหมตัวเราเนี่ยตายไหมเอาให้มันให้มันเข้าถึงใจเลยว่าตายไหม เมื่อตายแล้วเป็นยังไงอ่ะร่างกายไม่มีแล้วตัวเราซึ่งอยู่ในโลกนี้ทําอะไรอยู่บนโลกนี้มีอะไรอยู่ก็ตามเหอะทิ้งไหมปล่อยไหมวางไหมเอาไปด้วยได้ไหมเอาความจริงใส่มันเข้าไปเอ า, เาไปถึงใจเลยมันเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็เอาความจริงเนื้อใส่มันแล้วจิตละ่ะจิตถ้ายังไม่ถึงปณิพนานไปตามกรรมเลยเราบังคับมันไม่ได้หรอกไปตามกรรมมันเคยทํากรรมอะไรมาไป รวมทั้งกรรมในปัจจุบันนี้ด้วยบาะะ น, นกรรมดีไม่ดีก็ตามที่ทํามาเนี่ยโอเราทํามาแย่แย่มากมายที่ก่อนวินว่าตายเกิดเพราะนั้นอย่าไปสนใจว่ากรรมเราเคยทําอะไรมาจะไปแก้กรรมอย่างง้นอย่างนี้อุ้นห่างไกลพระนิพพานมากเลยนะมันห่างแถวมากเลยนะจะไปแก้กรรมอย่างง้นแก่กรรมอย่างนี้อุย้ยเราทําอะไรมานะมันไม่ขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปสนใจมันนี่เอานี่เอามาฮัาแก่นธรรมของพุทธเจ้านี่ตรงเข้ามาที่นี่เา้าเคยทํามาก็เคยสิยอมรับสิเพราะเราเคยหลงมานี่ยนะ เขาว่าเราหลงก็ยอมรับได้แม้ชาตินี้เราหลงก็ยอมรับถ้าเราเคยหลงไปเขาเอามาพูดมาจาว่าเออคนนั้นหลงอย่างนั้นเะไรเนี้ยยอมรับฉันเคยหลงมาจริงฉันจะแก้ไขมีอะไรหรือเปล่าพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยมันถึงอาหารพ์ก็จะแก้ไขแล้วมันจะเป็นยังไงกันน่ะก็เราเคยหลงเขาพูดเขาพู ด, พดสิเพราะเราเคยหลงมาจริงไม่เห็นตายไม่เห็นอะไรอาหารการกินเราก็ยังมีอยู่นี่นะยังกินข้าวได้ยังนอนหลับอยู่นี่นะไม่เจ็บปวดไม่ทุกข์ทรมานอะไรเขามีปากเขาพูดไปได้เลย ไม่ต้องไปให้มีปัญหานี่แหละคือความฉลาดไม่ต้องมีทุกกับอะไรขออย่างเดียวให้ฉันแก้จิตของฉันให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นคนที่กําลังพูดถึงแต่ความไม่ดีของคนอื่นพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนี้เป็นนันนันนั น, น AUDIBLE. เห็นไหมไมันมาจากจิตของตัวเองแล้วล่ะไอ้ตัวนั้นแหละตัวนั้นแหล ะ, ละมันกําลังทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่ยังไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวระวังให้ดีนะเนี่ยถ้าใครเป็นอย่างนี้ต้องรีบแก้แล้วเนี่ยแต่พูดคนนั้นคนนีอนน้อย่างนั้นอย่างนี้นันแหละไอ้ตัวที่กำ ล, กนลยนะะ คนอื่นดีก็ desse, However, data, species, ดีกับเรื่องของเขาไม่ด yes ีกับเรื่องของเขาแต่ไอ้ตัวเองเอาเรื่องดีและไม่ดีของคนอื่นมายุ่งเนี่ยตัวยุ่งตัวหาเรื่องก็มาจากไหนโง่หลงไม่อยากจะปัดมันให้มันสะใจเลยนะมันมันจะได้ตื่นขึ้นมานะไอ้จิตดวงเนี่ยก็ไม่ได้ว่ากันนั้นเนี่ยมันว่าตัวโง่ตัวหลงเนี่ยซ่อนอยู่ในจิตของเราเนี่ยไอ้มหาโจรเนี่ยเราอยากจะทําลายมันทั้บลายมันให้มันให้มันสลายไปให้มันหมดผู้นิ่งง่ายๆมันจะได้ไม่มีทุกข์จะบังหวงมาแหนอยู่อ่ะ เป็นเราขึ้นมาอีกเอา้าเป็นเราก็ตัวเรานั่นแหละที่มันหลงผิดอยู่มันมีเราแต่แรกแล้วแต่ก่อนมีเราไหมนในโลกใบนี้ตอนนี้ยมันมีไม่ชาติเนี้ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นสักหน่อยหนึ่งเชื้อของพ่อไข่ของแม่มั น, บนจบกันแค่นั้นเองพ่อแม่นอนด้วยกันแม่มีฤ ด, ดูมีการเสบกันแล้วก็เชื้อของพ่อไข่ของแม่บรรจบกันตามระบบของธรรมชาติของสัตว์ของการเกิดความเป็นมนุษย์ขึ้นมา จิตวิญญาณก็ถูกกรรมมันบังคับมึงต้องไปเกิดกับพ่อแม่คนนี้คู่นี้เท่านั้นมึงไปที่อื่นไม่ได้เนี่กรรมมันบังคับอย่างนั้นก็ต้องมาสิมาตามกรรมมาตามกฎของธรรมชาติระบบของธรรมชาติไม่ใช่เราไปบังคับมันมาไม่ใช่เรามีความอยากของเรามันเป็นเองมันเป็นเองเพราะแต่ก่อนไม่มีมันก็มีขึ้นอย่างนี้แหละนี่จาเหตุจากปัจจัยเท่านั้นเองเราจะมาหลงอะไรกันนักหนาเล่ามันมีระบบของมันอยู่ มันเกิดทั่วอะไรพวาความหลงนี่แหละมันมีเราทําอะไรก็มีเรามีเราแต่ที่แรกนู่นความเป็นเราก็ซ่อนอยู่ในจิตเรานี่มันก็ผลักดันให้มาเกิดถ้าลองทําอะไรไม่มีเราเฉยเลยปล่อยเลยวางเลยทิ้งเลยว่างเลยเอออะไรจะพ า, าไปเกิดที่นี่ความเป็นเราไม่มีแล้วมดเห็นไหมเห็นไมนเนี่ยเนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆ อ, อย่างนี้เลยนะถ้าไม่มีเราเมื่อไหร่แล้วก็ไม่มีอะไราาพาไปเกิดแน่นอนที่พูดเดียวพูดเพื่อไปหาสู่ความไม่มีเรานั้นเพราะมันเรามันจริงๆมันไม่มีมันมีชัว่วคราว พอมาเกิดแล้วก็เอาที่แรกก็เล็กๆอยู่ในมือลูกกันจากนั้นก็เป็นก้อนเลือดจากนั้นก็เริ่มขยายตัวออกมาเรื่อยๆจนเกิดมาใหญ่ตัว้นเป็นเราเลยทีนี้ก็เริ่มแก่ลงแล้วนะทนี่นี่เนี่ยจะตายอยู่แล้วทีน่นี่จะดับไปจากโลกแล้วยังจะมาทุกข์อีกเหรอยังมาวุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เหรอมันเสียเวลามากไปไหมที่จะมาลุ่มหลงอยู่กับโลกอันเนี้ยควรที่เอาความจริงใส่เข้าไปให้จิตเรารู้ขึ้นมาบ้างไหมคราวนี้มันก็ตื่นขึ้ น, นมาสิ เราก็อยู่ชัววช่วคราวเฉยๆทีนี้เอาเดี๋ยวก็ตายแล้วทีนี้แต่ก่อนไม่นึกถึงความตายนึกถึงว่าจะเอานน่นเอานี่อย่างนั้นอย่างนี้คนนั่นด น, น, นั่นนั่นนี่นี่วุ่นวายไปหมดลองใส่ตายดูสิเอาตายไหมตายไหมเราตายไหมเขาตายไหมแล้ววุ่นกันนักนะวุ่นอะไรกันนักนะตายไหมก่อนตายทำอะไรดีอ่ะเออถ้าทํากรรมดีเพื่อพัฒนาจิตตัวเองเพื่อไปสู่นิพพานนี่ตรงพระประสงค์พระพุทธเจ้าแต่ถ้าก่อนตายยังมาลุ่มมาหลงอยู่ก็เชิญไม่ว่ากัน เชิญเลยทุกต่อไปก็แล้วกันทุกชาตินี้ยังไม่พอเวียนเกิดเวียนตายทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกเราอยู่นี้ต่อไปเชิญแต่ถ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เอาแล้วพอพอกันที่เคยหลงมามากแล้วมันไม่ใช่หลงเฉพาะชาตินี้ชาติก่อนๆเคยหลงมานับไม่ถ้วนเลยไม่รู้กี่ยสงไข่จนพระเจ้าบอกว่าไปที่ไหนก็ตามไม่มีที่ฝังศพของเราไม่มีเลยดูสิ มาที่นี่ก็เนี่ยตรงนี้ก็ตรงเคยเวียนเกิดเวียนตายอยู่ตรงนี้คือมันยาวนานมากพูดง่ายๆเห็นใครสักคนหนึ่งไม่เคยเป็นที่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นศัตรูกันไม่มีเลยดูสิขนาดนั้นเลยนะเนี่ยมันคือมันยาวนานเห็นสัตว์แม้แต่สัตว์ตัวนึ่งเดินผ่านหน้าเราไปต้องเคยเกี่ยวข้องกันมาทั้งหมดเป็นพ่อเป็นแม่พี่เป็นน้องสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นข้าศึกศัตรูเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งบันทอนกันพึบแล้วจะไปอะไรอะไรกับการเบียนใบตายเกิดเล่า จะ พ, พ่อใจอะไรอยู่กับโลกเล่าบางทีพระเจ้าก็บอกโลกนี้มันว่างเปล่าว่วางเปล่าคืออะไรมันไม่มีอะไรอ่ะพวกนี้เดี๋ยวก็ตายไปแล้วแล้วถ้าใครตายด้วยความรุ่มหลงอะโอ้โหมันดูซิมันเสียประโยชน์ขนาดไหนอถ้าตายก่อนตายเนี่ยเรารู้ล่ะรู้ความจริงละไอจิตดวงนี้จวงดีที่มันรู้แล้วแหะแล้วมันจะหาทางออกได้นี่แหละการมาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ ในสถานที่ที่พระองค์ทรงจําพันษามากที่สุดทําพุทธกิจทํากิจของพระองค์มากที่สุดแสดงธรรมมากที่สุดตรงนี้พระสูตต่างๆนี้เกิดที่นี่เลยนะเเรียกสาวสถีนิฐานเวลาจะกล่าวอะไรสาวัถินิทานเทวดงเทวดาก็มานะมีเทวดาตนหนึ่งตอนนั้นก็เอาตอนหัวค่าเรียกปฐมยามพระเจ้าก็อ่าจะเทศนาปโปรดพวกกษัตริย์อะไรเนี่ยพอเขาจะมามึนๆค่ำๆหน่อยอะไรเนี่ย บาประชาชนกษัตริย์พวกนี้กลับไปแล้วก็อสอนพิสูจจากนั้นกับมัชชิมายามพร ะ, ระองค์ก็เข้าที่ประทับเข้าที่ประทับก็เป็นคิวของเทวดาแหละที่นี่เทวดาก็จะมาเฝ้าและทําเวรุวันให้สว่างสวา่างคำามาสว่างสวายเนี่ยบางทีมันก็มีแสงสว่างออกมาข้างนอกได้บางทีมันก็เป็นมิติข้างในนะไม่แน่นอนนะไอ้คำว่าสว่างนี่นะคือเข้าไปข้างในแล้วมันเห็นควาสว่างออกมาด้วยจิต เนะี่บางทีมันก็สว่างเห็นเลยนะเป็น ด, ดวงไฟใหญ่ๆสว่างไปทั่วที่เราอยู่ก็มีบางทีเจ้าตัวไม่รู้เขาข้างนอกเขารู้ก็มีเขามองเห็นนะ่ะเนี่ยมันก็เป็นได้พวกเทวดาเข้ามานะมากระทุนถามมากระนำเฝ้าเข้ามาเฝ้าอยู่ในที่อันควรล่ะข้าแต่พระค์ผู้เจริญก็ถามเล่าผู้นั้นผู้นี่ไปเนี่ยอย่างมงคลสูตรนี้ก็เหมือนกันนำะมาเกิดที่นี่นะเนี่ย มงคลสูตรที่เราท่องทองสวดสวดกันอยู่นั่นน่ะอนี่ก็เป็นเรื่องของเทวดาสงสัยว่าเออมนุษย์ทั้งหลายเขาหามงคลอะ่ะแล้วอะไรเป็นมงคลนะพวกเทวดาก็หาบ้างสมัยนั้นไม่รู้อะไรเป็นมงคลมันก็หลงหลงเหมือนสมัยนี้ยังอยู่นะขณะพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็ยังไปเที่ยววัตถุมงคลเห็นไหมอันนั้นเป็นมงคลนี่เป็นมงคลทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นมงคลทำอย่างนี้ไม่เป็นมงคลเทวดาก็งงเหมือนกันเละเออมนุษย์เขาก็หา มงค ล, ละอะไรเป็นมงคลที่พระรักษาบ้างหาไปหามาก็สงสัยที่นี่สงสัยก็เทวดาก็ไปถามพระอินพระอินก็ไม่รู้อีกไม่รู้ก็เอา้ามีคนเดียวที่จะรู้ได้ลองไปถามผู้เจ้าดูพราะพระอินนี่เป็นพระโสดาบันนะเนี่ยให้ให้เทวดาองค์นึงเป็นตัวแทนมาเนี่ยมาก็มาที่นี่แหละก็มาทูลถามผู้เจ้านี่แหละอะไรเป็นมงคลผู้เจ้า ก, ก็บอกว่าเนี่สามสิบแปดประการเป็นมงคลเพราะนะใครอยากรู้ลงมงคลก็ต้องไปอ่านเอา เสวนาจะ บ, บาลนังปานิตานะจะเสวนานี่อันนี้แหละนี่แหละเป็นมงคลคบกับคนพามาให้คบคนทานคนทานก็ไปเอาความคิดความเห็นของเขามานึกมาคิดมาปรุงมาแต่ง น, นั่นแหละเขาจะชั่วเขาจะไม่ดีขนาดไหนก็อย่าไปเอาความคิดความเห็นเขามายุ่งมากวนใจไม่ใช่คบขาสมาคมอย่างเดียวนะรวมทั้งไปเอาความคิดความเห็นของเขามายุ่งอยู่ในจิตเรานี่แหละนี่แหละครบอย่างเนี้ก็เลยกลายลาเราว่าเราเราเองก็ผ่านด้วยดูสิสุดท้ายไอ้คนทานเนี่ยทานภายนอกก็มีด้วย แล้วผ่านภายในก็มีด้วยไอจิตเราเนี่ยแหละมันผ่านเพราะจิต ท, ที่ไม่รู้นี่แหละเขาเรียกว่าผ่านพ่านนี่แปลว่าไม่รู้แต่ใครไม่รู้เรื่องรู้เราคนพ่านถ้าอันถ้าผานแล้วก็มืดบอดเลย น, นั่นคนที่มืดบอดไม่เชื่อพระเจ้าเลยอย่างของเรานี่ยังเป็นเป็นกัลยาณปุถุชนนี่ยังตามหาคําสอนของพระเจ้าอยู่เพื่อที่จะเอาคําสอนเจ้ามาประพฤติปฏบิบัติตามนี่แหละพระสูตทั้งต่างๆก็เกิดขึ้นหรือเทวดาตนหนึงก็มามาเฝ้าพระเจ้าอีกว่าเทวดาตัว น, นี้นี่ เขาเคยปฏิบัติธรรมมานะเทวดาก็เคยปฏิบัติธรรมาจากเป็นมนุษย์นี่พอเป็นเทวดาแล้วก็คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราก็มีความรู้ความเข้าใจมากแล้วธรรมะเนี่ยเคยประพฤติปฏิบัติมาถ้าเราได้ยินว่าพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติแล้วข้ามโอคะได้ยังไงถึงพระนิพพานได้ยังไงแค่เราได้ยินเนี่ยเราน่าจะถึงพระนิพพานได้เราเชื่อในความเห็นของเขาเองอ่ะว่าเขานี่มีความเข้าใจมีความรู้ความสามารถตรงมาหาพระเจ้าเลยนะ ผู้เจ้านี่โอ้โหสุดยอดมหาบุรุษจริงๆริงนะรู้รู้ทิ่ทีมานะของเทวดาเลยโอ้เทวดาตัวนี้มาน่ามากเลยเกินเนี่ยพอมาถึงก็ข้าแต่ท่านพูุนี้ละทุกท่านน่ะข้ามโอค่ได้ยังไงคือถามเป็นปริศนาทามโอค่าโอค่านี่มันห่วงน้ําบนข่านข้ามโอค่าได้ยังไงข้ามวังน้ําบนได้ยังไงผู้เจ้าก็บอกว่าเราไม่พักเราไม่เพียรกิงข้ามโอค่าได้หมายว่าข้ามโอค่าเนี่ยโอค่าเหมือนเคนลอยน้าอยู่อ่ะลอยน้ํำไปเป็นน้าบนด้วยลอยลอยอยู่ผู้เจ้าก็พูดเป็นปริศนานะ เราไม่พักเราไม่เพียรเราจึงข้าโม้าได้ข้ามวังน้ําวนนี่คือเราไม่พักไม่พักแล้วก็ไม่เพียรด้วยเทวดางงเลยดูสิพระเจ้าพูดให้งงก่อนนะคือทําลายมานะทิถิของเขาเสก่อนพอพอเทวดาเริ่มงงก็ทิถิมานาก็ยุบย่อลงไปที่ทีนี่โอ้โหเรานึกว่าเรารู้งงเต็มเลยฟังทำแค่ประโยคเดียวงงแล้วก็ต้องทูลถามต่อแล้วที่พระองค์บอกว่าไม่พักไม่เพียรและข้าโม้าได้คือยังไงพระเจ้าข้า ผู้เจ้าก็อธิบายให้ฟังคือถ้าไปทําแต่บาปแต่อกุศลไม่ยอมทําความดีไม่มุ่งมัน่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนีย่ยอันนี้มันมันมันไม่ได้นนเนี่ยเนี่ยเรวมันจะจมถ้าเราพักเราก็จมพระผู้เจ้าบอกว่าอย่างนี้แต่ถ้าเราเพียรก็ลอยเพียรในที่นี้หมายว่าใจมันมุ่งอะมันมุ่งมันอยากจะ ไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่าประเสริฐกว่าคือใครปฏิบัติธรรมแลือยึดติดข้องอะ่ะมวัวแต่ไปเยอะเราสูงเราดีพอใจในสมาธิพอใจในวิปัสสนาขั้นกลางๆนี้ไม่ได้อันนี้เรียกว่าทําให้ลอยอยู่ทําให้ติดทําให้ข้องทาให้เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันไม่ได้เพราะนะั้นพระเจ้าไม่พักไม่เพียรก็คือจิตหมายถึงจิตที่เป็นกลางแล้วนะที่นี่ไม่พักไม่เพียรได้ไหม ดูสิพระพุทธเจ้าพูดพูดธรรมานี่คืออันเดียวกันเลยนะหมายถึงทำจิตให้เป็นกลางอย่างที่เราพูดมาน่ะละมานะบั่งตัณหาบา ง, าบางทิฏฐิบั่งรู้ว่าเออการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยชีวิตของเราไม่ได้มีอะไรเลยอะ่ะแต่ก่อนไม่มีสุดท้ายก็ต้องตายมีชั่วค้าวเฉยเฉยไม่ควรยึดมัน่นถือมันคือให้จิตมันเข้าหากลางๆไม่ยินดีไม่ยินไ่ก็คือเข้ากลางๆอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีไม่ยินลก็ให้มันอยู่ตรงกลาง ตงการจนกระทั่งมันแน่วแน่เป็นตัวของตัวเองอะไรเกิดขึ้นจิตไม่หวั่นไหวไม่คอยตามไม่วิ่งไปไม่แส่สายออกไปสงบนิ่งดูอยู่แต่รู้อยู่นะไม่ใช่นิ่งแบบจมลงไปไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่นิ่งแต่คอยสังเกตอยู่ น, นี่มีมันมนั่นมั่นคงอะไรเกิดขึ้นจิตไม่หวั่นไหวเลย สิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีทุพพลตัวจิตนี่คือมันตั้งมั่นอย่างนี้เราต้องฝึกไปฝึกไปจังหวะที่มันตั้งมั่นมันจะมีไม่ใช่มันตั้งมั่นได้ตลอดไปนะความตั้งมั่นนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้เรามีหน้าที่ปฏิบัติเลื่อนไปมันจะตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นถึงเวลามันตั้งมั่นของมันตั้งมั่นของมันขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนกันหมดเป็นกลางๆอะไรเกิดขึ้นจิตของเราไม่หวั่นไหวไม่ซัดสายไปไไม่หลไปไม่่เพินไปดอยู เพรอะไรเกิดขึ้นปับขึ้นมาแม้แต่ความคิดปับขึ้นมาก็อ้าวนี่เกิดแล้วก็ดับรู้สึกปั๊บขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับว่าบขึ้นมารู้สึกหงุดหงิดงุนงิดเกิดแล้วก็ดับต๊บขึ้นมางุ่แล้วก็ดับอะไรว่าบเข้ามาในร่างกายเฮ้ยนี่เกิดแล้วต้องดับมันยังไม่ดับก็ตามแต่ในจิตเรารู้แล้วเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินไล่มันอาจจะมีได้ในร่างกายเมื่อเรามีกายอยู่นี่แหละเรารู้ว่าไม่ใช่ของเราจิตของเราเป็นกลางๆอยู่แต่ว่าร่างกายไม่ได้หายไปไหนไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันก็ยังอยู่ ตึ๊บเข้ามาก็เหมือนกันบางทีมีนะในในระบบของธรรมชาติด้วยกรรมของเราด้วยสิ่งอะไรที่เราเคยสั่งสมมานี่แหละบางทีตึ๊บเข้ามานี่บางคนนี่ตึ๊บเข้ามานี่บีบเลยบีบรู้ว่าบีบนี่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยคนละระบบอันหนึ่งระบบกายระบบลูกอันหนึ่งระบบน้ําระบบจิตพระเจ้าสอนให้รักษาจิตนี่ไม่ใช่เป็นรักษากายกาย ก, ายก็ทําให้มัถูกต้องตามธรรมะเอาอาหารเอาไปให้มันพอดี มันปูวยเจ็บป่วยไข้ก็มียุ่มียามีหมออย่างที่พระเจ้าก็เหมือนการมีชีวกรุมาลพาัชคอยดูแลคอยรักษาเยียวยาธาตุขันแต่จิตทุกคนมีหน้าที่รักษาตัวเองจิตของใครคนนั้นต้องรักษาเองไม่ใช่คนอื่นไปรักษานะที่มานี่ก็คือว่าเรามารับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ธรรมะเนี่ยมันเป็กระตุ้นเตือนจิตของเราให้มันเข้าใจให้มันรู้ขึ้นมาเพื่อจะมันหันเข้ามาหาจิตตัวเอง ให้มันรักษาจิตตัวเองแก้จิตตัวเองให้มันรู้ให้จิตตัวนี้มันรู้ขึ้นมาหรือว่าจริงๆเราเนี่ยมันเรียนไหวตายเกิดมาเยอะแยะแล้วชาตินี้ก็เหมือนกันอีกหน่อยมันก็ตายไปแล้วอย่ามาหลงหยึดอยู่เลยกับโลกแบบ น, นี้เรื่องราวของโลกปล่อยให้มันอยู่ตามโลกควรทํายังก็ทําแล้วสิ่งที่ทํานั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีทําให้จิตใจมันเจริญก้าวหน้าขึ้นไม่ใช่เจริญก้าวหน้าทางวัตถุวัตถุก็มีไปทําไปไม่ใช่ไม่ทํานะใครพอหาได้มากได้น้อยหาไปตามกําลังของตัวเอง แต่ทําแล้วต้องไม่ลืมการรักษาจิตเพราะนั้นรักษาจิตนี่สาคัญที่สุดเลยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเออมีพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างเนี้เราทําความเข้าใจให้ดีสิแล้วก็ต้องมาปฏิบัติที่จิตของเรารักษาที่จิตของเราได้มากได้น้อยก็เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องนิพพานเดี๋ยวนี้ที่นี่มันไม่ใช่ก็อาจจะจะเทียบก็ได้ว่าเออถ้ า, าจะนิพพานก่ น, นิพพานเดีแ๋ยบบชั่วคราวไปก่อนว่า เออไม่ยินดีไม่ยินไล่นะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวว่าทุกไม่มีในจิตเนี่ยเนี่ยเนี่แต่ทางคันนิพานก็ได้อยู่นิพานชั่วคราวแต่ยังไม่ใช่นิพานที่ถ้าบอลคนที่ถึงนิพานเป็นยังไงอ้าวจะพูดให้ฟังเลยนะ่ะคนถึงนิพานเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตเรามีอะไรปรุงแต่งจิตไหมถ้าจะปรุงแต่งก็ได้อยู่ปรุงแต่งเพื่อให้ไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งเพื่อไม่ปรุงแต่งคือยัไงอย่างเราฟังเนี่ยเรารู้ความจริงขึ้นมาอ่ามันเข้าไปปร exactly like ุงแต่งจิตเราแก้จิตเราเออ มันเคยยึดอย่างนั้นตัวตนอย่างนี้เรานั่นเรานี่มันวางไปวางไปสุดท้ายนก็มานิ่งมาเฉยถ้าปรุงแต่งนี้ปรุงแต่งได้เพราะในฐานะที่เรายังไม่ถึงบัณฑิพานแต่พูดถึงบัณฑิพานแล้วไม่ต้องไปทําอย่างนั้นอยู่เฉยเฉยไม่มีอะไรปรุงแต่งเพราะนั้นคนที่มันมีอะไรปรุงแต่งก็พยายามดับมันละมันซะกอ่อนเพื่อให้มันรู้ความจริงไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วทําอะไรก็ไม่ผ่านทำเพื่อตัวตนทําว่ามันเป็นสิ่งควรทําทําแล้วก็แล้วไปไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องถ้ามันผิดพาดบกพร่องพร้อมจะแก้ไขทันทีเลย ก็มันแก้ไขได้ไม่เห็นเป็นไรไม่กลัวเสียหน้าเสียตาไม่กลัวเสียศักดิ์ศรีไม่กลัวสีเหลี่ยมถ้ามันเสียจริงๆย่อมแพ้ว่ากรรมของเราเคยทํามาอย่างนี้คือคิดแบบไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้เลยพอทุกข์เมื่อไหร่ก็โง่เมื่อนั้นพอนั้นถึงปัญพาภานเมื่อไหร่หายโง่แล้วปัญญาถึงที่สุดแล้วคิดแบบตัวเองไม่มีทุกข์ไม่ได้พิเศษไปสูยห่อเหินโดยอากาศได้นี่เลรมิสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไม่ใช่แต่ว่าจิตไม่มีทุกข์คิดให้ตัวเองไม่มีทุกข์ได้คิดเป็น คิดแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันสบายเป็นอิสระเสีดีทําแล้วก็ไม่มีตัวตนด้วยไม่มีตัวเราพอไม่มีตัวเราปับ๊บมันก็ไม่ต้องไปเกิดมันนี่เราพาไปเกิดเราก็เป็นอิสระนี่จิงเรียกว่าถึงพระนิพพานเมื่อเรามาอย่างที่นี่เราก็มาทําใจทําเพื่อให้จิตของเราเดินไปสู่พระนิพพานเดินไปสู่ความไม่มีทุกข์หรือถ้ามันยังไม่ถึงจริงๆก็ทุกต้องน้อยลงไปจากนี้ไปต้องทุกต้องน้อยลงไปเอาต่อไปนี้จะให้นั่งปฏิบัติกันนะ ให้ซำรวมจิตใจดีๆนะเราก็ฟังมาพอสมควรแล้วเราจะซ้ำรวมจิตใจบูชาพระบูเจ้าเลยนะสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวถึงที่ประทับแล้ววันนี้เราเป็นที่แสดงธรรมของพระเจ้าด้วยแล้วก็เป็นที่สาวกทั้งภิกษุสงฆ์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามาพร้อมกันฟังธรรมที่นี่โอ้พร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์เลยนะโอ้เราส้ามข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากประเทศไทยกว่าจะมาได้ดูสิเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตวัวยาวนานแค่ไหน อุปสรรคอะไรก็มีแต่ว่าเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทําอะไรแล้วไม่มีอุปสรรคมันไม่มรอกเราก็อย่าไปถือให้มันให้มันหนักให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปง่ายๆเป็นบทเรียนเอามาแก้ไขในโลกเราเนี่ยจะให้มันสมบูรณ์มันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีบกบฟององๆบ้างอะไรบ้างผิดนิดผิดหน่อยให้อภัยซิ่งกันและกันเมีตาต่อกันมีเหล่าวัตถุองสารมันเป็นอย่างเนี้ยก็ต้องมีการให้อภัยทําตามที่ผู้ย่อสอนเดี๋ยให้อภัย คนที่ผิดพลาดก็ได้แก้ไขได้เรียนรู้ได้ศึกษาให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาเราก็มาแก้ไขเราต่างคนต่างแก้ไขตัวเองมันก็เบาสบายขึ้นมาไม่ต้องไปมองกันในแง่ไม่ดีหรอกไม่ต้องเอาอะไรเพราะว่าเป้าหมายของพระพุทธเจ้าคือไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็ไม่มีอะไรถ้าถึงที่สุดจริงๆแล้วก็คือไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนตายไหมเงี่ยเอาถ้ามันยังมีตัวตนอยู่ตายไหมถ้าจิตถึงปณิพานแล้วก็คือไม่มีอะไร ร่างกายนี่รู้แล้วเออแค่อาศัยชั่วคราวเฉยๆจิตใจไม่มีอะไรตรุงแต่งให้เป็นทุกข์ได้แล้วไม่ต้องไปเวียนได้ไตายเกิดทรรับทุกอีกต่อไปพอพอ่พอพจบเนี่มัที่ไม่มีตัวตนได้ก็คืออย่างเนี้มันเข้าไปหาจิตแล้วจิตมันรู้แล้วมีตัวตนเมื่อไหร่โง่เมื่อนั้นมีตัวตนเมื่อไหร่โง่เมื่อนั้นเราขึ้นมาเมื่อไหร่โง่เราโดยสมมุติได้อยู่เอ อ, เ, อ, อเป็นเราก็สมมติไปอย่างนั้นไม่ดิ้นนอะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจิตเราไม่วู่นวาบในจิตอะ เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมีบ้างเล็กๆน้อยๆพอได้รู้ได้เห็นว่าเออพอจะเรายังเกิดอยู่มันก็เป็นอย่างนี้แหละขนาดเกิดแล้วขนาดว่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนแล้วเราทําใจได้ขนาดนี้แล้วมันก็ยังมีอยู่บ้างยังมาผ่านมาเห็นน่ะโอแล้วชาวโลกก็ยังไงโอ้ยมันได้คตินะทีนี้เข้าใจโลกโอ้โหคนเกิดมาในโลกแล้วเป็นอย่างนี้แหละแต่เขาไม่รู้ต่างหากถ้าเขารู้แล้วโอ้ยมันจะมามลุ่มหลงกันเพื่ออะไรกันนะ ก็แค่มันว่างเปล่าไม่ได้มีอะไรเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็หลงหลงตายไหมตายตายแล้วเกิดไหมเกิดเกิดเพราะความหลงเกิดมาแล้วหลงไหมหลงหลงแล้วตายไหมตายตายแล้วเกิดไหมเกิดเกิดแล้วเป็นยังไงหลงไหมหลงอีกหลงแล้วตายไหมตายอีกเกิดอีกหลงอีกตายอีก ไปเกิดเมื่อไหร่ก็หลงตายตายพร้อมความหลงเกิดพราอความหลงตายพร้อมกับความหลงอยากจะพูดให้พู้เจ้าได้ยินเลยนะเนี่ยว่าสาวัของผู้เจ้าเนี่ยยังโง่อยู่เยอะยังหลงอยู่เยอะพระเจ้าค่านีมาเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับแล้วขอพระองค์รับทราบเถิดต่อไปนี้อย่าหาทางทําลายความโง่ความหลงให้หมดไปจากจิต ถ้าใครคิดได้อย่างนี้โอ๊ยรับรองเลยนะถ้าพผู้เจ้ายังทรงพระชนอยู่นะพุ่งจะพอพระไทยที่สุดเลยสแสดงว่าคําสอนขคงมไม่เป็นหมันแล้วยังมีสาวกที่จะทําตามอยู่ยังมีสาวพวกที่รู้สํานึกขึ้นมาอยู่ถึงจะหลงลุ่มหลงมาในอดีตอย่างน้อยเริ่มรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่เวลาปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าเอาเลยเนาะชาตินี้เลยชาตินี้ไม่ได้ไม่เป็นไรมีบา ร, รมีแล้วรู้ทางแล้ว ค่อยๆเดินไปค่อยๆปฏิบัติไปไม่ต้องไปลำบากไม่ต้องไปทุกข์ยากไม่ต้องบีบคั้นตัวเองได้มากได้น้อยก็จะขอเดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าไปเรื่อยๆเหมือนคนหลงทางอะ่ะเราเคยหลงหลงทางอา้าวไปมาพบทางทีนี้เห็นรอยพระบาทของพระเจ้าโอ้โหทางของพระเจ้าตรงนี้เหลยเป็นอย่างนี้เลยค่อยๆเดินตามไปเดินตามไปโอชาตินี้ไม่ถึงไม่ถึงจุดหมายปลายทางโอชา ต, ต่อไปยังมีอีกเอาค่อยๆเดินต่อไปอีก ถ้าต่อไปยังมีอีกเดินต่อไปอีกมันต้องถึงบ้างวันใดวันหนึ่งถึงเวลาที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันกันกบจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าทรงถึงแล้วบรรลุแล้วนี่แหละมันมีความหวังเพราะงั้นการมายัางประเทศอินเดียถ้าใครมีจิตสำนึกตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า แล้วก็มีอุดมการมีปณิธานที่จะเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันกันกบของพระพุทธเจ้ารับรองเลยเกินคุ้มแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลิศที่สุดไม่มีอะไรเปรียบเทียบอีกต่อไปแล้วในโลกธาตุนี้ในจักรวาลนี้ในธรรมชาตินี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้า ก็จะไม่ประเสริฐอย่างแท้จริงเอ้าต่อไปสัมรวมจิตใจบูชาผู้เจ้ากันสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเรามีเวลาวันนี้นะเวลาปฏิบัติก็ทำสบายๆนะทําเหมือนไม่เอาอะไรอ่ะนะจะมองดูร่างกายก็มองให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราจริงเป็นแค่ที่อาศัยเป็นสิ่งที่อาศัยอยู่เหมือนจิตเรามาอาศัยอยู่เฉยๆ ร่างกายก็อยู่ตามธรรมชาติของมันมองดูจิตก็เป็นนามธรรมเฉยๆนะมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนกันนะเราก็รู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆดูอยู่เฉยๆเนี่ยเรียกว่าปัญญายาณคนที่ถึงเนี่ยก็คือว่ามันจะมีรู้อยู่เฉยๆได้โดยที่เห็นสภาพร่างกายก็เออมันก็อยู่ของมาณนนะ่ะเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มาอาศัยอยู่เท่านั้น ส่วนจิตใจเนี่ยเป็นนามธรรมถึงมันจะนึกคิดปรุงแต่งได้ก็จริงแต่มันปรุงแต่งได้ไปตามกระแสของธรรมชาติเฉยๆนะมันเป็นระบบของธรรมชาติอันหนึ่งระบบรู ป, ปรธรรมระบบของร่างกายอันหนึ่งระบบของจิตใจระบบของนามธรรมมันเป็นแค่ธรรมชาติทั้งฝ่ายรูปและก็ฝ่ายนามเพราะฉะนั้นว่ารูปกับนามกายกับจิต อันหนึ่งรูปอันหนึ่งนามอันหนึ่งกายอันหนึ่งจิตมันระบบของร่างกายมันก็ทํางานไปเรานั่งอยู่นี่มันก็ทํางานอยู่ข้างในของมันน่ะนี่เรียกว่าระ บ, บบของกายหรือว่าระบบของฝ่ายรูปจิตใจถ้าหาว่าเราอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จัดระบบให้แก่นามของเราคือจิตของเราเนี่ย ให้มันมีคุณสมบัติที่ดีงามขึ้นเรียกว่ามีอริยมรรคมีองค์8ปดเข้ามามีสติขึ้นมาเรียกสัมมาสติสติชอบสติชอบก็คือมีสติเพื่อให้จิตมีความรู้ความเข้าใจไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือสัมมาสติสัมมาสติเขาควบคุมจิตให้แน่วแน่คือมาเป็นสมาสมาธิสมาสมาธิก็คือให้จิตมีคุณสมบัติที่แน่วแน่ มองเห็นชัดเจนว่าไม่มีอะไรเป็นของเรากายก็อยู่ส่วนกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตไม่เคยเป็นเราเลยหรือว่าเวทนาเนี่ยมันก็กําลังจะสอนเรานั่นแหละค่าคือเวทนามันบีบเจบ็บปวดนั่นแหละคือตัวเวทนาเราก็ต้องให้จิตเราดูอยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆโอเวทนาศักแตว่ว่าเวทนามันอยู่ของมันเพราะมันคือเวทนามันจึงเจ็บมันจึงปวดของมันเพราะมันเป็นทุกขเวทนา มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอะไรจริงจิตเราก็วางเฉยได้ดูเฉยได้แต่ห้ามไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดไม่ได้เพราะมันคือเวทนาเราก็ทําใจเป็นกลางๆดูเฉยๆเนี่ยเข้าหาทางสายกลางต้องอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็ต้องเป็นกลางๆอยู่นั้นนี่เขาเรียกว่าสมาธิคือปัญญาชอบจิตมันก็ต้องเริ่มปล่อยเริ่มวางสิทีนี้มันก็ดาริคิดนึกขึ้นมาว่าเออไม่ใช่ของเราก็ต้องวางมันวาง การนี้ยังอยากไปเลยนะถ้ามันเข้ามาหาเห็นมากายไม่ใช่ของเราเห็นมันมีเราแล้วจะไปเอาเพื่อเราได้ยังไงมันก็วางกามวางความอยากความต้องการพยาบาทอาฆาตจงยั้งโน้นะเนี่ยสัมมาส ก, กปะก็เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาเนคขบมะเนคขบมะาะว่ามันเป็นสมาธิสงบส ง, บส ง, บสงบัดอยู่ภายในออกจากกามก็เลยเนคขบมะเนี่ ย, ย, ย, ยดำริบไม่พยาบาทพยาบาทมามจะเอาได้ยังไงเพราะว่ามันทําให้จิตเนี่ยมันเกิดยินดียินร้าขึ้นมาแนละ้ว ไม่อยู่ตรงกลางแล้วเสียสมดุลและจิตมันรู้ขึ้นมามันก็ไม่เอามันก็ทิ้งไปวางไปคิดจะเอาชนะคนนั้นคนนี้เบียดเบียนคนนั้นคนนี้ไม่เอาแล้วจะไปจะไปใหญ่กว่ากันไปข่มเหงรังแกกันเบียดเบียนกันเอาชนะฆ่ากาันกันไม่เอาเป็นกลางกลางไว้เป็นกลางกลางไ ว, งงไว้อะไรที่มันจะทําให้เราอยู่กันอย่างมีความสุข ธรรมะมันเจริญขึ้นกับจิตกับใจของเรามาเอากันตรงนี้ดีกว่ามันก็เป็นกลางได้สิมันก็มีเมตตาต่อกันสิคารุณาต่อกันสิแล้วก็คิดได้กว้างขึ้นนะเออเราไม่เคยเป็นญาติกันเราจะมาได้มาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอะไอ้ส่วนที่มันเป็นอุปสรรคบ้างมันเคยบัทอนกันมาก็มีบ้างแต่ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมามากมายมหาศาลไม่งั้นไม่ได้มาร่วมกันขนาดนี้หรอกเราก็นึกถึงในส่วนที่เคยร่วมกันเคยช่วยเหลือกันมันก็สบายขึ้นน่ะเพราะอันนี้ก็ใช้กรรมใช้เวรไปซะ เราเคยทาเขาเขาทําเราว่างก็มีเป็นไรนี่นะมันจะได้หมดซะกรรมในวัฏฏสงสารอันนี้มันจะได้แล้วแล้วกันไปไม่ต้องไปสืบต่อเนื่องให้มันยืดยาวไปมันมาเราไม่เอาไม่เอาตั้งต้นใหม่เริ่มใหม่เลยโอ้อุตส่าห์มาเฝ้าพระเจ้าถึงที่ประทับแล้วล้างออกไปเลยบางทีก็ประกาศเลยข้าแต่พุ่งเจริญไม่เอาแล้วสิ่งไม่ดีเนี่ยไอ้นี่ที่มันลุกวนจิตใจยังข้าพระเจ้าจะไม่เอาแล้วจะพยายามทําตามพระเจ้าแล้ว ปฏิบัติตามความสอนขององค์แล้วโอ้นี่ประเสริฐขึ้นมาทันทีเลยนัเนี่ยเป็นสาวกพระเจ้าสมบูรณ์แบบเลยนะเหมือนการอาศัยสถานที่ของพระองค์เลยอะ่ะลำลึกถึงธรรมของพระองค์ขึ้นมาได้ด้วยทำตามได้ด้วยและอะไรจะมาประเสริฐเท่ากับการที่เราเนี่ยล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายบุญทำให้จิตใ จ, จเจริญขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวนี้เลยตรงนี้เลย เราก็มาชำระล้างออกไปเนี่ยว่าล้างบาปก็ได้ไปแม่น้ําคงคาวหูยเอาน้ําล้างแต่ผู้เจ้าจึงบอกว่าเอ้ยปูปลาเต่ากุ้งหอยซ่มันอยู่ในแม่น้ํามันก็บริสุทธิ์หมดส่ถ้าท่านเอาเอาน้ํามาล้างได้อย่างนี้เหมือนคนละเรื่องคนละระบบดูซิผู้เจ้าเนี่ย ต, ต่อบออกไปลําต้งเถีงเลยนะไม่งั้นปูปลาแถวนี้มันไม่ไม่บริสุทธิ์หมดแล้วเหรอถ้าหาว่าอาบน้ําล้างบาปได้อย่างนั้นน่ะนี่มันต้องมาล้างด้วยอริยมรรค คือมาปฏิบัตินี้ถ้าพูดต้นทางมันคือสติปัญญาสี่อย่างที่พระองค์บอกนั่นนอกจากพระองค์จะบอกว่ามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งคือเจริญสี่สารสีแล้วพระองค์ยังบอกว่าถ้าใครให้จิตเนี่ยท่องเที่ยวหรือหากินอยู่ในที่ ท, ที่บิดาตนพาโครจรฉันใช้คํานี้นะคือให้จิตนี้มันมาโครจรให้มันอยู่ภายในกายภายในจิตนี้มานจะไม่ได้ช่องมานจะไม่ได้อารมณ์ แต่ถ้าใครปล่อยจิตออกไปไปหาลูกหาเสียงหากลิ่นหารสสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามากุ้มลุมจิตตัวเองนั่นแหละมานได้ช่องมานได้อารมณ์มันจะเกิดความทุกข์สิ้นกาลนานเนี่ยความทุกข์มันอยู่ตรงนั้นเลยตรงที่จิตเรานี่แหละมันสายออกไปไปยุ่งไปเอาเรื่องเอาลาวเข้ามาตอนนี้เอาจิตเรากลับเข้ามากลับเข้ามานิมาโคจรมาอยู่ในที่ที่บิดา หากินพาท่องเที่ยวพาโคจรก็คือพระเจ้านั่นแหละสอนให้เอาจิตเข้ามาอยู่ภายในตัวเหล่านี้อยู่ในกายเหล่านี้อยู่ในจิตเหล่านี้จากนั้นก็ให้จิตนี่รู้ว่าเอ้ยเนี่ยร่างกายสุดท้ายมันต้องตายมันไม่ใช่ที่อยู่ของเราตลอดไปนะชั่วคราวเฉยๆนะจิตไม่ได้คลายออกตายแน่แ่มันต้องตายแน่แนตายแน่แนนี่นี่แหละคือมันเป็นอนัตตามันเป็นชั่วคราวมันเป็นของเราชั่วคราวไม่ใช่ของเราจริง แม้อะไรเกิดนี่เกิดแล้วก็ดับผ่านมาผ่านไปทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตนี่แหละเวทนาเกิดขึ้นก็ตามถ้าเราเข้าใจแล้วก็มองดูเฉยๆเอาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเรายิ่งมันเจ็บมันปวดมันทดสอบจิตกําลังจิตมันสูงขึ้นมาพอกําลังจิตมันสูงนี่กําลังใจมันมีอารมณ์เล็กๆน้อยๆมันวุ๊บเข้ามานี่มันเฉยเลยนะมันต้องฝึกอย่างนี้สิมันต้องฝึกมันต้องมีความเพียรความอดทนคนไหนจะได้ประโยชน์ จากบีธนาก็เอาเลยเข้มแข็งสร้างกําลังใจของเราให้อยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายผ่านเข้ามาให้มันเกิดและดับไปได้ให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องนี่ตัวสมัมมาทิฏฐินี่คือเห็นว่ามันเกิดมันดับเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาจึงเรียกว่าปัญญายาณเห็นแล้วจิตคลายออกคลายออกเห็นด้วยจิตเรานี่แหละอย่างอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันเห็นด้วยจิตก็เหมือนกันเอามันผ่านมา เรื่องคนนั้นผ่านเข้ามาเรื่องคนนี้ผ่านเข้าก็เป็นแค่ความคิดนี่นะว่ามันเป็จุดจำมาเรื่องเราในอดีตมาเฉยๆสัญญาสัญญาสัญญาเกิดแล้วกระดับถ้าเราไม่ทันมันไม่ไม่ดับมันก็ส่งให้สังขารสังขารก็ปูต่อปูต่อก็มีเวทนาขึ้นมาสุขทุกข์ตามมาอีกวุ่นวายขึ้นมาอีกวิญญาณก็มารับรู้รับรู้ก็ส่งต่อไปอีกหมุนไปหมุนมาอย่างนี้แหละส่งให้ลูกลูกก็ร้อนบูบ่าขึ้นมาสัญญามาอีก ส่งให้สังขารสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งเกิดเวทนาเวทนาขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาอา้าววิญญาณไปรับรู้รับรู้กับมีส่งให้สัญญาสัญญาปรุงแต่งโอ้บนเวียนเนี่ยขาน่าทำงานไม่ได้มีอะไรเลยสรุปแล้วมีแต่เรื่องไร้าสาระปุ๊บปับปุ๊บปับเกิดดับเกิดดับแต่ตัวเองไม่รู้ที่นี่ไม่รู้อุย้ยเหมือนใหญ่ม า, ากยัง่งดูสิตัวเองนั่นแหละพองขึ้นแล้วความหลงเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ตัวอีก แต่ตอนความหลงขึ้นมานี่มันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็เลยใหญ่ขึ้นมาเลยตัวตนอะ่ะฟองขึ้นเลยทีนี้ก็อะไรที่มันจะไปทับถมกันได้ก็เอาสิมาจากความหลงทั้งหมดเลยไอฝ่ายนั้นก็หลงอีกที่นี่กูไม่ยอมนี่ก็ไม่ยอมนั่นก็ไม่ยอมตัวขยายามาใส่กันเนี่ยสุดท้าความหลงกับความหลงฟาดฟาดกันที่นี่ความหลงเนี่ยมันก็มาออกในรูปมาไในทางไหนกีเลตันหาออกมาแล้วที่มาน่าออกมาแล้วที่ฉี่ออกมาแล้ว ก็เลยเอาแต่ของไม่ดีมาฟาดฟันกันอยู่ในโลกแล้วมันจะดับทุกข์ได้ยังไงมันจะสุขสงบร่มเย็นได้ยังไงเพราะมันหลงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองหลงหลงแต่รู้ว่าไม่รู้ว่าหลงนี่พระเจ้าเรียกว่าเลวถ้าใครหลงรู้ว่าหลงนี่เออนั่นแหละดีใช้ได้แล้วเพราะต่อไปเขาจะเพียนพยามหมาทางให้หายเหนืยนี่เรามาฝ้าพระเจ้านี้เรียกว่า เอาแก่นธรรมของพระเจ้ามาพูดกันมาปรับลบทันให้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ทําความสงบประพฤติปฏิบัติไปด้วยเราเตรียมตัวนะเตรียมตัวให้ดีให้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยบูชาพระพุทเจ้าคือเอากายเราบูชาเหมือนกายเราไม่ใช่ของเราละเอาถวายเป็นพุทธบูชาทำโมบูชาสังฆบูชา อย่างน้อยก็ทำจิตให้บริสุทธิ์เลยนะว่างเปล่าจากอารมณ์เหมือนเป็นของบริสุทธิ์อ่ะเหมือนไม่มีอะไรปรูแต่งจิตไม่มีอะไรรบกวนจิตเอาจิตเราเนี่ยบูชากายก็บูชาจิตก็บูชาเครื่องบูชามันต้องสะอาดต้องบริสุทธิ์ต้องดีต้องงามเรามีภาชนะชิ้นหนึ่งต้องขัดต้องเกลาซะก่อนให้สะอาดสะอาด ร่างกายเราก็เอาไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องชําระออกไปให้จิตเราหายหลงไม่ต้องหลงละให้ร่างกายอันเนี้ยยอมรับเลยว่าเออมันมันไม่ใช่ของเราอะ่ะก็เลยทําเป็นเหมือนกับว่าถาวายมอบ ก, กายถาวายชีวิตพระพุทธเจ้าอาทิตแด่พระพุทธเจ้าไปละความหลงไปเหมือนไม่ใช่เราอีกต่อไปละจิตใจ มีอารมณ์อะไรที่มันเคยค้างคาอยู่ในใจเพราะอำนาจความหลงของเราความยึดความติดความข้งของของเราวันนี้ขัดเกลให้หมดเลยบูชาพระเจ้าไปเรื่องอดีก็ปล่อยไปใช้กรรมใช้เวรไปให้หมดให้สิ้นเราเอามาเป็นเครื่องมือสุกจิตเราดีกว่าเรามาดูว่าเราแก้จิตเราได้ไหมเราให้อภัยได้ไหมให้โอโหสิกรรมได้ไหมปรับใจให้มีเมตตาต่อกันได้ไหม ที่ทำนี่ทำเพื่อจิตตัวเองนะไม่ได้ทำเพื่อเขาหรอกเพื่อตัวเราเองว่าเราทาได้มากทำได้น้อยก็คือจิตของเรานี่แหละกายเราเอาจิตเราบูชาให้เรียบร้อยเลยยิ่งบูชาด้วยการที่ให้มองดูกายกับจิตว่าไม่ใช่ของเราได้โอ้โหนั่นบูชาสูงสุดเลยนะเพราะคำสอนพรูเจ้าก็คือตรงเข้ามาเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเราเลยอย่ามาให้จิตไม่เอาอะไรเลย ผมไม่เอาอะไรเลยกายก็อาศัยอยู่ไปถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วก็แล้วไปวันทำยังไงกับมันก็ทําจิตเนี่ยมันก็เป็นนามธรรมเฉยลองให้มันเข้าสู่ธรรมชาติดูมันจะเป็นยังไงปล่อยมันเป็นธรรมชาติดูบ้างเพราอพระเจ้านี่เข้าถึงความจริงก็คือเข้าสู่ระบบของธรรมชาติเลยพงรู้กฎของธรรมชาติรู้ระบบของธรรมชาติว่าในธรรมชาตินี้ใครทําไม่ดีคนนั้นต้องทุกข์เดือดร้อน นี่ก็ระบบของธรรมชาติมันเป็นพระองรู้ถ้าใครทำดีก็สุขสบายขึ้นมาแต่ทำดีอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติให้จิตมีปัญญาหรือว่าไม่มีเราไม่มีตัวเราจริงถ้าเข้าถึงที่สุดของมันจะต้องหมดตัวหมดตนดับทุกได้หมดจดสิ้นเชิงนี่ก็เป็นเรื่องของระบบธรรมชาติหมายว่าทุกคนปฏิบัติได้เข้าถึงได้ถ้าปฏิบัติตามเพราะมันเป็นระบบของธรรมชาติ มันไม่ใช่ว่าเออเขาคนนั้นคนนี้มาบีบคั้นแล้วปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่เป็นระบบของธรรมชาติแต่ใครปฏิบัติตามผู้สอนอย่างนี้กิจจะดําเนินไปเป็นกลางไปเรื่อยไปจนกระทั่งมารู้ความจริงเห็นความจริงว่ากายกับใจนี้มันเป็นธรรมชาติจริงๆคําว่าเราเรานี้สมมุติเฉยเฉยว่าธรรมชาติอันนี้ที่สมมุติว่าเป็นเรานี่คืออันนี้นะสมมุติว่าเป็นเขาคืออันนั้นนะสมมติว่าเป็นคนนั้นคืออันนั้นนะ แต่เป็นโดยสมมุติสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกต่อไปนี่แหละคือบูชาขั้วสูงสุดเลยก็ยแค่เราได้ลองทํำเฉยๆนะคือมันมีหลายระดับอ่ะเอาสมมติว่า เ, าเอาเอาระดับหนึ่งเอาก่อนจะก่อนจะพัดจากไปในวันนี้ก็ทําจิตให้สบายไม่เอาอะไรเลยสบายๆไม่ให้มีอะไรค้างคาอยู่ในใจละทิ้งไปไม่เอาอะไร นี่อันนี้ก็ระดับหนึ่งคือทำจิตให้เป็นสมาธิให้จิตกลับเข้ามามาอยู่กับตัวเองบางทีก็เผลอไปเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้บ้างเอากลับมากลับมามาอยู่กับตัวเองนี่เรามาอยู่กับธรรมะก็คือมาอยู่กับตัวเองนี้นี่ก็คือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็แล้วก็อยู่ดูไวคุมไวไม่ต้องออกตายไม่ต้องไปยอยู่กับตัวเองเธออยู่กับตัวเองเธอ อย่าไปยุ่งกับคนอื่นไม่ได้เขามาตามกรรมของเขาไปตามกรรมของเขาเราก็มาตามกรรมของเราไปตามกรรมของเราเขาก็ตายเราก็ตายเขาก็ไม่อยากทุกเราก็ไม่อยากทุกขาเราอยากได้สุขเขาก็อยากได้สุขเราก็มาอยู่ของเรากลับเข้ามาหาเราอะไรเกิดขึ้นก็กลับมาอยู่กับหาเรามีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับมาทดสอบมาทดสอบว่าจิตของเราจะออกไปไหมมีเสียงอะไรเกิดขึ้นมาจิตเราออกไปไหมหรือว่ากลับเข้ามาอยู่กับเรากลับเข้ามาอยู่กับเรา เราไม่สนใจอะไรเกิดขึ้นกลับเข้ามาเครื่องทดสอบมีเยอะในโลกเราเราเอาทุกอย่างเป็นเครื่องทดสอบอได้ยินก็รู้สึกว่าได้ยินเราก็รักษาตัวเราไว้รักษาจิตเราไว้อยู่กับตัวเราอยู่กับตัวเราอยู่กับตัวเรานี่คือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้ า, อ า, ารรของรจริงกเกิดขึ้นยิ่งดีได้ทดสอบได้ดูจิตได้ดูตัวเองชัดเจนว่ามันคืออะไรปฏิกิริยาของจิตมันมี มันอาจจะนึกขึ้นมามันอาจจะคิดขึ้นมาเราก็รู้ทันมันห้ามมันไม่ได้จิตเนี่ยมันเป็นระบบของธรรมชาติมันมีปฏิริยาของมันเวลามีอะไรมากระทบมันก็นึกได้คิดได้วิภาควิจารณ์ไปได้แต่เรารู้อยู่เรารู้อยู่สำคัญตรงตัวรู้นี่รู้นี่ไม่ได้ห้ามมันคิดไม่ได้ห้ามมันนึกไม่ได้ห้ามความอยากบางทีมันอยากขึ้นมาก็รู้ว่ามันอยากอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทาเรารู้ ตรงนี้ต่างหากที่เป็นปัญญาเราไม่ได้ห้ามว่าอยพอมันคิดไม่ดีขึ้นมาเอ้ยทําไมเราคิดไม่ดีนะห้ามไม่ได้คิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็รู้มันอยากอะไรก็รู้มันอยากมากอยากน้อยรู้ส่วนเราจะทําขนาดไหนอันนั้นต่างหากที่เป็นปัญญาของเราเป็นความรู้ความเข้าใจของเราความสามารถของเราเนี่เรียก ว, ว่าเราควบคุมมันได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละเนี่ยยิ่งมีเสียงมีอะไรมาทดสอบอย่างนี้โอ้ยิ่งดีเลยนะ เรายิ่งมีโอกาสถ้าหาว่าเราคุมไม่อยู่นะจิตเราไม่อยู่กับตัวเอง ấy. เราจะนั่งสมาธิอยู่เอเสียงมาจากไหนนะทำไมเข้ามาทำไมเสียงมันจึงเข้ามานะนาเราก็จะนึกคิดปรุงแต่งไปเอาสุดท้ายนะใครจะล่ำลาพระพุทธเจ้าด้วยอะไรด้วยปณิธานอะไรด้วยสัญญา มันก็นสัญญาจาักใจเราถึงพระพุทธเจ้าอาศัยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนานที่สุดอาศัยสถานที่ที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมมากที่สุดให้เป็นประจักษ์เป็นพยานอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยเหล่าเทวดาทั้งหลายผู้มีอานุภาพ เป็นประจักษ์เป็นพยานให้เราได้เปิดเผยความในใจของเราว่าเราจะเดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าอย่างไงเราจะทํำยังไงให้ชีวิตของเราจเจริญขึ้นในฝ่ายกุศลให้ฝ่ายกุศเลเจริญขึ้นในใจิตใจของเราฝ่ายอกุศลให้มันดับไปฝ่ายบาปให้มันหมดสิ้นไปจากใจเราฝ่ายบุญ ไฟกุศลให้มันจเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นไฟอวิชาไยความหลงให้มันเสื่อมถอยกำลังไปให้มันเสื่อมสิ้นไปสลายไปดับไปให้ไฟวิชาไฟความรู้แจ้งฝายความเห็นจริงความถูกความต้องสามมาทิิให้มันเข้ามาสถิตยอยู่ในจิตใจของเราให้มันจเจริญขึ้นนี่แหละว่าไฟกุศลเราจะทำยังไงเนี่ยธรรมะเหล่านี้มันจเจริญขึ้น อะไรที่มันเป็นบาปเป็นอุปสรเราเคยทำมาแล้วก็ตามชาติก่อนๆเราเคยทามาเยอะแยะมากมายเราจึงมาเกิดแม้ชาตินี้ด้วยอำนาจของความหลงเรายังหลงอยู่เราก็ยอมรับเราก็เคยทำมาแต่ว่าต่อไปนี้เรารู้แล้วไม่หวงไม่อารย์ละใครอยากหวงใครอยากอารยก็อารยไปแต่เราจะไม่เอาอีกต่อไปแล้วเพราะเรารู้แล้วเข้าใจแล้วบางทีความที่เรายังหลงอยู่ มันก็มีโอกาสที่เรายึดเราติดเราข้องเนี่ยเมื่อสัญญากับพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็สั่รวมจิตใจของเรารวบรวมบุญกุศลของเราเข้ามาเพื่อที่จะอุทิศบุญอุทิศกุศลของเราที่เราได้กระทําบําเพ็ญเต็มกําลังสติปัญญาความสามารถเรามาถึงที่นี้ได้ไม่ได้ธรรมาดาเลยนะัะนนี่อํานาจของบุญโดยแท้อํานาจของบาลามีโดยแท้ จึงได้เกิดเหตุการณ์ในวันนี้ขึ้นมาได้แล้วได้มาฟังธรรมยังสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยอยู่ที่ว่าเราจะสามารถประพฤติธปฏิบัติตามได้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นล่ะเป็นหน้าที่ของเราเราจรึงรวบรวมกําลังบุญของเราทั้งหมดรวมเข้ามาไว้ที่จิตใจของเรา อนุภาพของบุญมีจริงเราต้องเชื่อมันเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนให้เราทิศบุญพระองค์เป็นองค์แรกที่สามารถรู้ได้ว่าในมิติอันเป็นทิพนี้มีชาวทิพบางพวกซึ่งยังต้องการบุญอยู่ทำบุญเองไม่ได้ต้องอาศัยบุญจากผู้หรือผู้ที่ได้อานุภาพจากบุญที่อุทิศให้แล้ว สามารถเพิ่มอนุภาคของเขาได้ก็มีด้วยนี่แหละปพตเจ้าจิงบาทานวิธีการว่าเออให้เราเนี่ยได้มีส่วนในการเกื้อกูลชาวทิพย์ที่ทั้งเป็นญาติเราหรือผู้ที่กำลังต้องการบุญจากเราอย่างนเนี้ยเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็รวบรวมบุญทั้งหมดของเราด้วยใจของเรานี่แหละประมวลเอาบุญทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้ รวมเข้ามาแล้วก็ตั้งใจที่จะคิดเป็นขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดนบรันรดาลบุญของข้าพเจา้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจา้าให้แก่เทวดาที่รักษาข้าพเจา้าให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจา้า ให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อของแม่สามีภรรยาลูกหลานเหลนพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรผู้ที่มีส่วนในการนำพาเรายังมายังสถานที่แห่งนี้ผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้การเดินทาง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 ที่กำลังต้องการบุญจากข้าเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าในเธอเมื่อรับเอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดไว้สมความปรารถนา้วยอนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ยุทิศให้แล้วนี้เมื่อสมความปรารถนาแล้ว ให้ปกปกรักษาพึ้งครองดูแลช่วยเหลือเกื้อห น, นุนข้าพเจ้าทําสิ่งใดก็ให้มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่เรือให้ยิ่ขึ้นไปได้เถิดการเดินทางของข้าพเจ้าก็ขอให้ราบรื่นเรียบร้อยปลอดภัยมีความลงตัวช่วยข้าพเจ้าได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้เดินตามรอยพระบาทของพระโพธิเจ้า ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร